ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมราชาโนวดพระเดชพระคุณพระเทพประสิทธิมนต์ท่านวัถยาลานวัฒยะและขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านในการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นที่ทราบกันก็คือมีสองงานงานแรกที่เรียกกันว่าเป็นงานที่เรา ตั้งใจทำกันมากที่สุดพิเศษกว่าทุกครั้งก็คืองานฉลองอายุเรียกว่าอายุมงคลครบผ้ารอบของมะเดชพระคุณและงานหนึ่งก็คือฉลองวัดครบยี่สิบอ็ดปีโดยเฉพาะยังยิ่งการจากงานที่นี่หลายวันมาจนถึงวันนี้เนี่ยเราถวายท่านเจ้าคุณพระเทพประสิทธิมน ประสบความสาเร็จหรือไม่ต้องถามท่านคือท่านมีความสุขแค่ไหนเราแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วท่านแฮปปี้หรือเปล่าผู้สารรำถวายก็แล้วบางคนไม่เคยรำเลยนะรำเสร็จแล้วหมอบนิ่งตงมาก็แปลกใจว่าทำไมหมอบนานพอลุกขึ้นมาคนปรบมือเกลียวดีใจที่ลุกขึ้นไหว ออกมาข้างนอกลวงเตียถามคนลำหลวงเตียท่านถามว่าจะมาเดินตามหลังท่านลวงเตียถามว่าจะให้เรียกแอมบูเลนส์ไหมทำขนาดนี้แล้วยังจะไม่ดีใจได้อย่างไรน่าปลื้มใจดีใจมากแล้วก็ทุกคนก็มีส่ว น, น, นทั้งนั้นแม้กระทั่งเมื่อเช้านี้ท่านในในวงอาหาร ตอนกลางวันนี้ท่านเจ้คุณมองไปที่ญาติโยมแล้วท่านก็พูดด้วยความดีใจว่าขนาดเมื่อคือนเนี่ยดึกนะเช้าก็ยังมาตื่นกันมาบางคนเนี่ยอยู่บ้านไกลมาใส่บาตรมาอะไรต่างๆคือท่านท่านมีความสุขทุกฝ่ายทุกส่วนมีทุกคนมีส่วนช่วยทางนั้นให้งานนี้ร่ำรวยร่ำรวยด้วยน้ำใจและที่สำคัญก็คือมีการเรียกว่าทำบุญพิเศษดยการ ให้บุตรหลานมาบวชอันนี้น่าจะเป็นแบบอย่างที่ทํากันทุกๆครั้งพระภิกษุสามรูปสมณีน อ, อีกสามรูปคือทุกคนมีส่วนช่วยทางนั้นในฐานะที่ธรรมาก็เคยอยู่ที่นี่เอ๊ะคิดจะช่วยอะไรดีก็อย่างที่ท่านบอกแล้วธรรมาก็มีส่วนสัมพันธ์ก็เอาละจะมาให้ธรรมทานเป็นของ ข, องขวัญแก่ญยาติโยมและการเป็นการบูชาธรรมในท่านเจ้าคุณแต่ปรากฏว่าเขามาจัดให้พูดวันสุดท้าย Last but not the least พระเอกมาจอกตอนท้ายเสมอก็มีกำลังใจพูดหน่อยมนันท่างคิดดูนะงานที่เป็นการประจวบเหมาะ น, นี่ก็คือ21ปีวัดธรรมาราม60ปีพระเทพประสิทธิทมน์เอา21ไปลบ40เอ้ย21ไปลบ60เนี่ยท่านมาที่นี่เมื่อไหร่หมายว่าเริ่มตั้งวัดเมื่อไหร่ทำงานเมื่อไหร่ และที่ท่านขึ้นมาจนถึงขั้นนี้เนี่ยก็คือผลงานช่วงที่มาอยู่ที่นี่ใช่หรือไม่เป็นระดับอินเตอร์ขึ้นมากลับไปยิ่งใหญ่อยู่ที่วัดจั ก, กรวรรดิ เ, เป็นกําลังจะเป็นเจ้าวาดรูปต่อไปสิ่งที่ท่านเอากลับไปท่านไม่ใช่จะเพราะว่าองค์ท่านทํางานอะไรที่นี่ประสงค์อะไรยังไงแต่คือความเป็นท่าน ความเก่งความสา ม, มารถเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ทํางานที่นั่นนั่นก็หมายความว่าที่นี่เป็นที่ที่ท่านมาฝึกฝนมาพัฒนาตนด้วยที่ว่ามันคือชีวิตงานมันคือชีวิตคือการทํางานมาอยู่ในตัวท่านแล้วท่านก็บอกว่าจริงๆเนี่ยท่านทํางานสําเร็จในเพราะอะไรความสําเร็จนั้นที่ท่านทําสร้างวัดมาอะไรมาอาจจะสรุปเป็นคําที่ว่า จากไม่ว่าจะ ก, การซื้อวัดที่นี่การทำงานภารกิจถัดมาเป็นเรื่องของการต่อสู้ไม่ใช่นั่งดูดวงเป็นเรื่องของความสามารถไม่ใช่วาสนาเป็นเรื่องของการฟันฝ่าไม่ใช่ฟ้าบรนดาลเป็นเรื่องของพรแสวงไม่ใช่พรสว ร, ร รวมญาติโยมรวมศรัทธาของทุกคนสร้างวัดขึ้นมาจนมาถึงวันนี้นี่ถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีวัดธรรมรามที่เป็นแบบนี้คนคนหนึ่งนี่สร้างเป็นตัวหมุนอัตมาเรียกว่าเป็นทั้ง move และก็ m o v e r move m o v e r ตัวเองหมุนด้วยคนอื่นก็หัวหมุนไปด้วยวนฉลองครั้งนี้ยี่สิเอ็ดปีครั้งนี้ วัดธรรมรามจะมีเสนาสนะสงเพิ่มฉลอง60ปีครั้งนี้ระเพศประสิทธิมนจะได้เลื่อนเป็นฉันทำฮะโยมพูดเองโ <c oughs> ยมตั้งแล้วเห็นไหมมันต้องประโจบเหมาะหลายๆสิ่งหลายอย่างดีแต่เบื้องหลังของความสาเร็จเบื้องหลังของสิ่งที่เราเห็นนั้นเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายหลายคนได้ ช่วยกันทําและรวมเป็นพลังลองมาคิดลองมาวิเคราะห์เป็นธรรมะดูมันเป็นเรื่องอะไรบ้างแน่นอนที่สุดจุดเริ่มคือศรัทธาคือความเชื่อคือความหวังความหวังว่าถ้าหากว่าเราสร้างวัดอยากจะถามคนแรกๆเลยว่าตอนที่ท่านตั้งวัดร่วมกันตั้งศูนย์จนกระทั่งมาเป็นวัดคิดไหมว่าวันหนึ่งมันยังเป็นอย่างนี้อยู่ที่วัดเก่าทํากันลำบากลำบน และวันหนึ่งมันจะมาเป็นอย่างนี้มันจะมีจุดอันหนึ่งซึ่งเป็นแรงบรรนานใจให้เราเร่งกันทําสร้างขึ้นมานั่นก็คือศรัทธาคือความหวังและศรัทธานี้เองเป็นตัวเคลื่อนไหวเป็นจุดเปลี่ยนแห่งชีวิตจุดสตาร์ทของความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายคือความเชื่อว่ามันจะดีดีกว่าและมีความสุขกว่าทําไมท่านจึงมาวัด พราะท่านเชื่อว่าที่นี่นั้นให้อะไรดีๆแกทท่ท่านทําไมท่านจึงขับรถบนพองถนนทั้งๆที่รถที่มันสวนมาเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรกั้นเลยเนี่ยสวนกันไปสวนกันมาเพราะท่านมีความเชื่อว่าคนขับนั้นที่สวนขึ้นมานั้นเขาจะเคารพกฎจราจรเขาจะขับด้วยความสุขุมรอดคอบเพราะฉะนั้นศรัทธาจึงเป็นพลังตัวเปลี่ยนสิ่งต่างๆ จุดเริ่มแห่งพฤติกรรมของท่านถ้าท่านมีความเชื่อความไว้ใจในคนอื่นท่านก็ทำงานร่วมเขาได้เชื่อในคนที่ท่านคบหาก็คบกันเชื่อในบางคนก็เริ่มครอบครัวสร้างครอบครัวความเชื่อความศรัทธาที่ท่านมีก็ทําให้เกิดวัดนี้ขึ้นมาถ้าหากว่าเราไม่เชื่อไม่ศรัทธาก็ทําธุรกิจด้วยกันไม่ได้เมื่อวานท่านรองนายรัตรีมาพูดถึงการลาออกของคุณอํานวย วีระวันลองในร้องตรีร้องตรีตรครั้งคุณม้อเเป็นความหวังเป็นความหวังของรัฐบาลใหม่ที่เป็นดรีมทีมเข้ามากอบกู้เศรษฐกิจตอนนี้คนไทยรู้สึกยังไงเอาดรีมทีมเข้ามาเลือกพักฝ่ายนี้เข้ามาชนะอีกฝ่ายหนึ่งเพราะดรีมทีมทีมในฝันที่สร้างศรัทธา แต่เขาเข้ามาแล้วหลายๆอย่างเนี่ยมันเริ่มลดเครดิตเขาทำสถามนมณฑลมันถึงจุดที่จะต้องออกจุดหนึ่งก็คือเรื่องซึ่งอาจจะไม่เป็นเรื่องเลยดัชนีหุ้นมันตกตกแล้วมันกระทบยังไงหนังสือพิมพ์แบงก์ของโพสต์รายงานเมื่อเดือนที่แล้วบอกว่านับเวลาเพียหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยจากเดือนพฤษภา เดือนเมือพิศุณาปีที่แล้วถึงพฤษภาปีนี้เนี่ยหุ้นตกประมาณห้าร้อยจุดจาก 1, หนึ่งพันเหลือประมาณห้าร้อยคนที่เล่นหุ้นไว้มากๆเนี่ยเงินมันหายวับไปกับตาเลยเขาลองจัดอันดับยี่สิบ้าอันดับต้นนะฮะของคนที่เล่นหุ้นแพงๆทั้งหลายในเมืองไทยยี่สิบห้าอันดับว่าเสียเงินไปเท่าไหรส่สมมติว่าหุ้นละทา1หนึ่งร้อยหรือเหลือแปดบาท เ, เงินในจานวน 912บาทที่มันหายไปที่เขาซื้อหุ้นไว้เนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่เขาคํานวณออกมาแล้วเขาไม่ต้องไปถามเนี่ยเขาดูจากหลักตลาดหลักทรัพย์นั่นเองเขาคํานวณมาแล้วได้ความว่าเงินที่หายไปโดยเฉพาะผู้ที่ขาดทุนมากที่สุดคือทักษิณชินวัตรทักษิณและชินวัตรและภรรยาเนี่ยมีหุ้นรวมกันเนี่ยจํานวนมากและขาดทุนไป ภายในหนึ่งปีเงินมันหายไปสามหมื่นล้านบาทอยู่ๆเนี่ยมันหายไปสาม0 0ื่นล้านบาทรวมท็อปทตฟยี่สิบห้าคนทั้งทักสินด้วยและคนอื่นทที่เล่นคุ้นแพงๆทั้งหลายเนี่ยเงินหายไปสำหรับกลุ่มนี้ยี่สิบห้าคนเนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทภายในหนึ่งปี กระทบศรัทธาเศรษฐกิจไทยต่างชาติที่เข้ามาซื้อคุณมูลงทุนศรัทธามันเสื่อมความเชื่อมันมันผันไปเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าการแก้ปัญหาตรงนี้คือทํำยังไงให้คนมีศรัทธาโดยเพราะต่างชาติต่อระบบเศรษฐกิจและเข้ามาทําเข้ามาช่วยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงหมายความว่าเรื่องของเศรษฐกิจเราจะใครจะมาทําเศรษฐกิจเขาก็ต้องมีความเชื่อมีความศรัทธาเรื่องของชีวิตเรื่องของการทํางานทั้งหลาย เมื่อมีความเชื่อมีความศรัทธามันก็มาทําธุรกิจร่วมกันมาทํางานร่วมกันมาตั้งวัดร่วมกันนี่คือความเชื่อมัน่นและเป็นจุดเริ่มที่ท่านจะต้องทําและทําไมท่านจึงมีศรัทธาคืออะไรคือความเชื่อว่าทําแล้วจะดีทําแล้วจะมีความสุขไ ป, ไปไปด้วยกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตยะตรติตโอขังข้ามพ้นห้วงเหว มหานโบก็ด้วยศรัทธาคือความเชื่อถ้าเรามีความศรัทธามีความเชื่อเนี่ยเราก็จะทําอะไรได้กันแข่งขันกันร่วมงานกันท่านสังเกตไหมว่าเวลาท่านจะซื้อสินค้าเนี่ยบางทีเพราะท่านเชื่อโฆษณาเล้เขาพยายามเอาพรีเซนเตอร์เอาคนโฆษณาเนี่ยมาดึงความสนใจท่านว่าสินค้านี้ยมันจะดีเมื่อที่มันดีอยู่แล้วเราใช้อยู่แล้ว แต่ถ้าให้คนที่เราเชื่อเราศรัทธาหรือเรามีอะไรรู้สึกต่อเขาเนี่ยเราก็จะซื้ออย่างเขามีเขาบอกว่าอย่างบริษัทเบซี่ที่นี่ลงทุนเอาสมัยหนึ่งเนี่ยไม่นานเนี่ยที่เอาไม้เครื่องแจ๊กสันตอนที่เขาดังๆมาโฆษณามีเพลงด้วยใช้เวลา180วินาที ในร้อยแปดสิบวินาทีเนี่ยแจ็คสันได้ค่าโฆษณาไปสิบห้ามิลเลียนสทำไมเขาบอกว่าเพราะคนฟังเพลงของเขาแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเรารู้สึกมีสุขดื่มเครื่องดื่มนี้ก็คงจะมีความรู้สึกมีสุขแบบนั้นด้วยมันเชื่อมโยงกันเชื่อมโยงระหว่างสินค้าการโฆษณาและ ความรู้สึกที่เรามีมันก็เหมือนกับเขาบอกมอนเหมือนกับทฤษฎีของาพอารบล็อกพารบล็อกเนี่ยเขาทดลองสั่นกระดิง่งกิงกิ้งกิสุนัขมันก็มาสุนัข ม, มาแล้วก็เอาอาหารให้มันมันก็กินกินแล้วมันก็ไปวันหลังก็สั่นกระดิง่งพอได้กินเขียงกระดิ่งสุนัขมันคาดหวังว่าจะต้องมีอาหารและมันก็มีจริงจริงพอหลายๆครั้งเข้าในที่สุด ปาป ร, รสันกระดิ่งเฉยๆสุนัขมาสิ่งที่เขาแม้จะไม่ให้อาหารมันหมาแต่ที่เขาคล็พราคือน้ำลายมันไหลซันกระดิ่งน้ำลายไหลมีความคิดเชื่อมโยงระหว่างกระดิ่งกับอาหารมีความเชื่อว่าถ้ามีได้ยินกระดิง่งเวลาอาหารวันนั้นเพระน้ำลายไหลเตรียมไว้ถ้าเรามาวัดวัดที่นี่คือความสงบ ถ้าเข้ามาปุ๊บเราคาดหวังว่าที่นี่จะให้ความสงบแก่เราให้ความสุขแก่เราเพราะฉะนั้นพอเข้ามาที่นี่จะมีความรู้สึกที่ดีแหละได้เห็นพระได้เห็นพระเหลืองและที่สำคัญก็คือว่ามันจะมีความโยงมีสัญลักษณ์ถึงกันแล้กันอะไรคือสัญลักษณ์ก็คือวัดคือศาสนาบางคนนั้นมันจะมีแรงจูงใจก็คือว่าเมื่อเราต้องการความสุขเราจึงทาหรือหลีกเลี่ยงความทุกข์ไม่อยากทา ถ้าทำอะไรแล้วมันมีความทุกข์ก็ไม่อยากทำคงจื้อเขาบอกว่าถ้าใครอยากจะมีความสุขเขาจะมีสัญลักษณ์นะอยากจะมีความสุขสามวันให้ซื้อเสื้อผ้าใหม่เอาเสื้อผ้าใหม่เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความสุขสามวันใครอยากจะมีความสุขนี่คงจื้อว่านะอยากมีความสุขสามวันให้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ อยากมีความสุขสามเดือนให้แต่งงานแต่ไม่ได้บอกว่าแต่งงานใหม่นะฮะอยากมีความสุขสามปีสามปีให้ปลูกบ้านใหม่อยากมีความสุขตลอดชีวิตให้ปลูกต้นไม้ท่าจะคุนสีชอบอันนี้เป็นการโยง ถ้าซื้อเสื้อผ้าใหม่แล้วเรามีความสุขเพราะเราไปโยงกับใจของเราไปโยงไปเชื่อว่าสิ่งนี้จะทําให้เรามีความสุขทั้งทั้งที่มันไม่จําเป็นแต่งานจะมีความสุขเพราะเราไปตั้งความเชื่อว่าแค่นี้อันนั้นคือไปผูกกับสิ่งต่างๆซึ่งที่จริงนั้นเราอาจจะมีความสุขมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับศรัทธานั้นจะต้องถูกต้องบางคนศรัทธาไม่ถูกต้องไปเชื่อผิด มีคนเขาหนึ่งเขาโดดถ้าท่านไปตำเมืองไทยก็เห็นตามพัทยาเขาจะมีนะเป็นเครนสูงสูงขึ้นไปนะแล้วคนก็โดดมาจากข้างบนเขาเรียกบันจี้จำใช่ไหมันโดดลงมาโดยที่เ อ, เ, เ, อเอาเชือก อ, อะไรต่างๆเนี่ยผูกขาไว้บางคนก็ไปโดดที่สะพานคนโดดนี่เขาเชื่อว่า้สายนั้นมันจะดึงเขาแล้วมันเป็นสปริงเด้งกลับดึงขึ้นไปโดดลงมาเหมือนกับจะตกถึงพื้นแล้วมันขึ้นกลับไป ถ้าเชื่อว่าสายนั้นมันช่วยชีวิตคนก็โดดทีนี้มันที่รัฐโคโรราโ ด, โดมีคนคนหนึ่งไยเขาเขาโดดจากบอลลูนโดดมาจากบอลลูนสูงมากเลยีย่เล็ไม่สปริงสักทีแปะ๊ะตายคำนวณผิดสายยาวเกินเป็นความเชื่อที่ผิดใช่ไหมคิดว่ามันจะช่วยเราแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้น ศรัทธาต้องมีปัญญากำกับจะประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่มีศรัทธามีความเชื่ออย่างเดียวมีความเชื่ออย่างเดียวแต่ขาดปัญญาจะงมงายมีปัญญาอย่างเดียวแต่ขาดศรัทธาก็จะเป็นคนเจ้าเล่ห์ไม่ทำอะไรเพราะฉะนั้นในชีวิตคนนั้นจะประสบความสำเร็จไม่ใช่จะมีศรัทธาเท่านั้นบางทีมันผิดบางคนก็มีศรัทธาที่งมงายไม่มีปัญญากำกับ ถ้าเราไปไปที่มาเลเซียนะอย่าลืมโทรศัพท์เขามีโฆษณาอยู่อันหนึ่งที่มาเลเซียโปรดหมุนหรือกดเบอร์99996ตัว99999 99. เขาโฆษณาลือกันด้วยถ้าท่านโทรเบอร์นี้มันมีสองเบอร์99999 99แล้วก็มี9998สองเบอร์นี้จะทำให้ท่านคุยกับผู้ล่วงลับไปแล้วในประโลกได้ ในยมโลกเนี่ยโทรไปเนี่ยถึงเลยคนก็โทรกันใหญ่ในคนที่มาเลเซียเนี่ยปรากฏว่าไอ้999เนี่ยมันเบอร์ต้นของตำรวจกับรถฉุกเฉิน emergency ของโรงพยาบาลคนที่โทรก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าตัวเองหลอกใช่ไหมโทรไปก็พอรับสายสายเป็นยังไงสบายดีหรืออยู่ที่นั่นมันร้อนไหมในยมโลกลเป็นยังไงบ้างไอ้คนคนที่รับปายสายม่เกี่ยวอะไรกันพราะโทรบ่อยที่ไม่รู้่า มีคนไปหรอกและคนที่โทรก็เชื่อว่ากำลังคุยกับคนในยมโลกไปแล้วอย่าลืมลองนะสายด่วนเชื่อโดยที่ไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะไว้วางใจใครท่านวัดเปอร์เซ็นต์ขนาดไหนสมมุติว่าถ้าท่านจะทำของหายของหายในท่านมั่นใจว่าจะได้คืนกี่เปอร์เซ็นต์ อันนั้นคือศรัทธาในเพื่อนเดียวกันพวกพวกเราด้วยกันเพรว่าท่านมาทําของหายในวัดกี่เปอร์เซ็นต์จะได้คืนไปทําของหายในชอปปิ้งมอลล์ได้เท่าไหร่ไปทําของหายที่เมืองไทยเงินเยอะๆพาสปอร์ดมีโอกาสจะได้คืนเท่าไหร่เรามีศรัทธามีความเชื่อความไว้วางใจในคุณธรรมในความซื่อสัตย์ของคนไทยได้วยกันแค่ไหนก็ก็แปลกดีก็คือ มีคนเขาทดลองทาด้วยไปทำกระเป๋าหายที่เมืองไทยเงินสี่ร้อยสี่สิบบาทไม่ใช่ทำประเทศเดียวนะหลายประเทศมากในเอเชียเขาไปทดลองก็คือไปทดลองแล้วปรากฏว่าเขาทากระเป๋าหายประเทศละสิบไม่ใช่ประเทศและเมืองใหญ่ๆนะเมืองละสิบมีที่กรุงเทพเมืองใหญ่กรุงเทพนะแล้วก็เมืองเล็กก็เล็กลงไปไหนก็คือเชียงใหม่ เอาเงินใส่ไปในนั้นในกระเป๋าได้นะสี่ร้อยสี่สิบบาทแล้วก็มีภาพถ่ายเจ้าของที่ทำเป็นเจ้าของเนี่ยเป็นสามีภรรยาและมีลูกน้อยหน้าตาหน้าสงสารอยู่คนกะให้คนเก็บได้เห็นเด็กแล้วโอสงสารมันคงไม่มีตังค์ใช้มันหิวหนก็จะมาคืนมีเบอร์โทรศัพท์มีอะไรให้เสร็จติดต่อเจ้าของอยู่ที่ไหนเขาก็ไปทิ้งไว้ตามเมืองใหญ่ๆทาที่ต่างๆกระจายออกไป ทดลองดูประเทศไหนน่จะได้คืนมากเมื่อเมื่อดูกันแล้วเนี่ยนะในบรรดาเมืองใหญ่ๆทั้งหลายเขาสมมติว่าทิ้งไว้สิบเนี่ยไปทิ้งไว้ที่สิงคโปร์กระจายตามที่ต่างๆเนี่ยได้คืนมาเก้าเก้าในสิบสิงคโปร์ไปทิ้งไว้ที่ฮ่องกงสิบได้คืนมาสาม ทิ้งไม่ได้กรุงเทพได้คืนเท่าไหร่ไม่ได้คืนเลยปู่ไม่มีสรทาแต่พวกเดียวกันเห็นไหมทิ้งไว้ในวัดธรรมารามได้คืนเท่าไหร่รอยเปอร์เซ็นตนี่โมได้คืนแต่กระเป๋าสิเห็นไหมเห็นไหมมันขึ้นอยู่กับว่าเรารู้สึกอย่างไร เฉลยนะฮะทิ้งไว้ในกรุงเทพได้คืนมาห้ามากกว่าฮ่องกงน้อยกว่าสิงคโปร์เอาทีนี้เอาเมืองเล็กๆบ้างไปทิ้งไว้ใน เ, เมืองเล็กๆลองลงมาอย่างเช่นเชียงใหม่ไงแล้วก็เมืองอืน่นเนี่ยเขาบอกว่าในอินเดียนะที่เมืองตรีวันรัมได้คืนมาแปดฟิลิปปิน ได้คืนมาสี่มีเมืองหนึ่งในพ่ษณุพิณนะได้คืนมาสี่เชียงใหม่ได้คืนเท่าไรศูนย์อีกแล้วแสดงไม่ใช่คนเชียงใหม่เชียงใหม่เกือบถูกนะหกเชียงรายได้คืนหกเขาก็บอกว่าคนเมืองเล็กเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยทั่วเอเชียคนที่เมืองเล็กๆจะมีน้ําใจมากกว่าคนในเมืองใหญ่ ซึ่งไม่ค่อยไว้วางใจกันมันมีพิษมีภัยอะไรต่างๆมากมายอันนี้ก็พูดถึงความเชื่อคอยไว้วางใจความศรัทธาต่อกันเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเราจะมีความไว้วางใจจะทำอะไรด้วยกันโดยไม่มีความไว้วางใจนะันมันทาไม่ได้ศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อเชื่อว่าทําสิ่งนี้จะดีทําสิ่งนี้แล้วนำไปสู่ความสุข เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตนเองในชีวิตตอนนี้เรามีปัญหาหลายเช่นเรื่องสุขภาพรับประทานมากไปหน่อยจะคุมตัวเองจะเริ่มงหมไต้องมีความเชื่อจริงๆว่าถ้าไม่ทํามันเป็นภัยต่อสุขภาพเราจะทํางานตรงต่อเวลาจะเสียสละเพื่อบุตรหลานจะเสียสละเพื่ออะไรมากขึ้นเชื่อจริงๆว่าถ้าทําและมันมีความสุข ถ้าไม่ทําแล้วมันมีความทุกข์คาถามคืออย่างนี้นี่คือคําถามแต่เวลาเราทําจริงเนี่ยสมมติถ้าท่านอยากมาวัดเนี่ยจะสวดมนต์หกโมงเย็นเนี่ยนะทําวัดสวดมนต์ถ้าท่านมีความรู้สึกเชื่อว่าถ้าทําวัดแล้วมีความสุขโยงกันเนะท่านจะรีบมาทําถ้าทําวัดแล้วมันเมื่อยมันทุกข์เกรดไปก่อนให้เลยหกโมงค่อยเข้าวัด จุดมันอยู่ัรงไหนจุดมันที่ว่าทาแล้วมันสุกมาทุกมันอยู่ที่ความเชื่อถ้าท่านมางานมางานนี่คือเชื่อว่ามาแล้วดีงานท่านจะคุณมาดีให้ท่านเห็นหน้าแต่ถ้าไม่มาถ้าจะไม่ค่อยดีตาถนาความดีคือความสุขสุขากามานิภูตานิสัต์ทั้งหลายต้องการความสุข โยงให้ความเชื่อของเรากับความสุขมันสัมพันธ์กันให้ได้และเราจะเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ข้อสำคัญคือความเชื่อของเราเนี่ยมันไม่เคยนําไปสู่การกระทําเชื่อลงๆลงแง่เมอทีเพราะฉะนั้นทํายังไงที่จะให้ความเชื่อเนี่ยมันมีพลังมีพลังก็คือว่าเชื่อมันทนไม่ได้ถ้าไม่ทําถ้าไม่เปลี่ยนแปลงถ้าไม่ริเริ่มในชีวิตของท่านเนี่ยสมมุติว่าถ้าท่านจะทํางานสร้างตัวขึ้นมา จากวัดเก่าวมาวัดใหม่เนี่ยมันไม่ได้เพียงกับว่าต้องการที่ใหม่แล้วนั้นวัดใหญ่คะับแต่มันอยู่ไม่ได้มันเป็นความเชื่อเชื่อบนหลักฐานแห่งปัญญาที่จริงด้วยท<ม>นอยู่ไม่ได้สมมติสภาพเศรษฐกิจของเมืองไทยตอนนี้ถ้าบางคนนึงเชื่อว่ามันแย่ยแล้วต้องรีบทำต้องรัดเข็มขัดอย่างคุณอานวยทาคนก็ ต้องเก็บภาษีต่างน ๆ, ๆนี่ยอมลาบากรับเข้มขัดแต่หลายคนบอกมันยังไม่ร้ายแรงนั้นเก็บภาษีเพิ่มทไมขัดกัดเขาก็ไม่ยอมมันก็ออกกันไปแล้วคนใหม่มาจะทํำยังไงฉะนั้นตรงนี้ก็หมายความว่าความเชื่อนั้นมันจะมันยังไม่มีเหตุผลตรงนี้จริงๆแต่มันจะเป็นตัวกระตุ้นให้เราก้าวเดินถ้าไม่ทําสุขภาพเราจะแย่กว่านี้สูบบุหรี่มันเป็นพิษเป็นภยัยสุรามันไม่ไดีอะไรต่าง มันเหมือนก็อยู่ในหัวแต่มันยังไม่ศรัทธาศรัทธาหมายถึงความเชื่อที่มีคอมมิทเมนต์ตกลงว่าจะต้องทำถ้าท่านจะโทรศัพท์กลับไปบ้านที่เมืองไทยติดต่อคนที่เมืองไทยทำไมจะต้องติดต่อก็เหมือนกับถ้าเราไม่ติดต่อเขามีความทุกข์ถ้าเราติดต่อเขามีความสุขมันโยงไปหากันอย่างนั้นฉะนั้น ความเชื่อศรัทธานั้นเมื่อมีคอมมิตเมนต์ก็จะต้องนำไปสู่ข้อที่สองคือการทำท่านเรียกว่าวิริยะข้อที่สองคือศรัทธานำไปสู่วิริยะคือแรงจูงใจที่ทำให้เกิดการกระทำวิริยะที่เราแปลว่าความเพียรมันมาจากคำว่าวีระคือกล้ากล้าทำเจอปัญหาแล้วกล้าสู้ไม่ยอมแพ้ ในประวัติศาสตร์เนี่ยที่ถ้าใครไปภูเก็ตภูเก็ตชื่อเดิมเขาชื่อเมืองถลางมีรูปปั้นผู้หญิงอยู่ถือดาบชื่ออะไรนะเทา้าคุหญิงโมนันมันของสุรัสสุนารีอาจะสีมาดูสุนารีมากไปไหนอชื่ออะไรเอ่ย ท้าเทพสตรีเท้าสีสุนทรเป็นวีรสตรีผู้กล้าซึ่งในสถานการณ์นั้นเนี่ยไม่น่าจะกล้าไม่น่ากล้าเพราะอะไรในสมัยรัชการที่หนึ่งทัพพมา่าเนี่ยยกมาตีทางเมืองกาญเนี่ยนะตีในฝ่ายเรียกว่ากรุงเทพแล้วอีกทัพหนึ่งเนี่ยยกไปทางภาคใต้กวาดไปเรื่อยเข้าไปทางภาคใต้ไปถึงเมืองถลางและในช่วงนั้นเมืองถลางเจ้าเมืองคือพระยาถลาง ถึงแก่ น, นี่จะกรรมเสียชีวิตไม่มีหัวไม่มีเจ้าเมืองและอยู่ไกลกันด้วยตั้งก็ไม่ทันบ้านแตกไหมพม่ามาแล้วใครจะเป็นแม่ทัพทําให้ขวามทั้งคนสู้กับพมา่าและไม่แพ้ด้วยแล้วคนผู้หญิงลุกขึ้นมาในสถานการณ์ที่มันน่ากลัวอย่างนั้นผู้หญิงปลุกระดมจนคนเชื่อว่าตามผู้หญิงแล้วเมืองถลางพ้นภยัยจากพม่า ภรยาของพระยาถลางที่เสียชีวิตนเี่คือคุณหญิงจังกับน้องสาวคือคุณหญิงมุกรวบรวมพลพรรคสู้กับพม่าตั้งป้อมค่าอยู่หนึ่งเดือนพม่าตีไม่แตกต้องถอยทับกลับแล้วทางทางถลางแจ้งมาทางกรุงเทพตั้งให้เป็นเลยและการหนึ่งทรงสถาปนาเป็นเท้าเทพสตรีเ ท, ท้าสีสุนทรคนในเมือง น, นั้นเชื่อว่าผู้หญิง ตามผู้หญิงลบได้อิสระภาพเสี่ยงกลัวไปเชื่อพระเจ้าบรมวงเธอกรมพระนาราธิปประพันธ์พงได้เขียนนิพนธ์สรรเสริญคุณหญิงทั้งสองไว้บอกว่าเปรก็ไกวดาบก็แกว่งแข็งหรือไม่ มิใช่ยิงหญิงไทยมิใช่ชั่วไหนไถถากไหนตากตรำหนทำครัวใช่รู้จักแต่จะยั่วผัวเมื่อไหรแรงเหมือนมดอดเหมือนกากล้าเหมือนหญิงนี่จะจริงเหมือนว่าหรือหาไม่เมืองถลาง บางจะจอดรอดเพราะใครเพราะหญิงไทยไล่ฆ่าพม่าแพ้วีรสตรีคือความกล้าคือความเชื่อคอมมิชเน้นลงมือทำลุกลุยไปเลยถ้าจะเปลี่ยนไม่ต้องผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวนี้เราตั้งใจจะทำอะไรให้มันดีขึ้นเชียร์ของเราจะฝึกอะไรจะเพิ่มอะไรจะแก้ไขอะไร ทำและตัดสินใจโดยบอกกับตัวเองว่าถ้าไม่ทำแล้วมันทุกข์มันมีปัญหาอะไรโยงไปให้ได้ทำแล้วมันจะดีขึ้นอย่างไรไ ม, มีความสุขอย่างไรบอกตัวเองให้ทำตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าบางครั้งเราต้องมีความเชื่อเหมือนท่านจะลงทุนธนธุรกิจบางครั้งก็ต้องทุ่มเหมือนกับกระโดดเมื่อกี้ท่านมาอ้างบาลีแล้วสักกายตาระตีโอขัง ข่าแม่น้ำด้วยศรัทธาคือก้าวกระโดดอย่าว่าแต่ศาสนาเราเลยศาสนาคริสต์ศาสนายิวยูดายเขาจะมีคำว่า l e a p of faith โดดไปด้วยศรัทธาท่านคงเคยได้ยินเรื่องแพะรับบาป scapegoat โดดไปด้วยศรัทธาแพะรับบาปเนี่ยพระเจ้า ในคำพีเก่าทดลองอับราฮัมบอกว่าถ้าเชื่อศรัทธาพระเจ้านะให้ไปแ a c ก i f i c ฟไปบูชา ย, ยันลูกชายชื่อไอแซคขึ้นเขาไปแล้วตัดคอเลยนะเผาบูชายยันไอแซคก็พาอับราฮัมก็พาลูกชายขึ้นเขาออนะขเอาไม้กลองเตรียมเผาเอาลูกชายนอนจะตัดคอ พระเจ้าสั่งลี f อ a เ t h พระเจ้ามีจริงหรือเปล่าพอพูดในหูมันอาจจะหลอกก็ได้ลูก อ, อาจจะคอขาดตายไหมถ้าลองดูจะเชื่อไหมอับรบาฮัมใช้มีดฟันบนคอลูกมัดฟันพอฟันฉับลงไปสิ่งที่ขาดกลายเป็นคอแพะลูกอยู่ปกติพระเจ้าเห็นแพะอยู่ใกล้ๆเอาแพะมารับบาป แพ้ไม่รู้เรื่องหรอกอยู่แถวนั้นใครชอบไหมเป็นแพ้ละมอมอยู่จูเอาคอให้พระเจ้าตัดเล่นเขาบอกนั่นคือโดดไปด้วยศรัทธาอันนั้นจริงไหมจริงไมนแต่หมายถึงว่าเขาอธิบายคำว่า leap of faith เป็นขั้นวิกฤตต้องเชื่อต้องศรัทธาต้องตัดสินใจเหมือนกับว่าเราทะ่ทำความดีมันเป็น leap of faith อย่างหนึ่งบางคนชอบถามมาตรมาเลย้าน่ามีจริงไหม ตายแล้วไปไหนในที่ถวายท่านนี่พอจะได้ไ ม, มั้ยถวายไปห้าเหรียญเนี่ยจะได้ ม, มิมาสักหลังอะไงเนี่ยเนี่ยผ่<ค>นอนทรงอยู่เนี่ย<ค>ถามว่าชาติหน้ามีจริงไหมฝรั่งชอบถามคำตอบนี่คือ Leap of Faith คำตอบอยู่ในอะไร สำหรับคนที่เห็นจริงปฏิบัติเนี่ยเขาจะเชื่อเพราะเขาเห็นเขาปฏิบัติพิสูจน์นั่งกรรมฐานชาตหน้ามีจริงแต่สำหรับเราที่ยังเป็นผุ้ดชนนั้นพระเจ้าสอนไว้ในแหลกในกาลามาสูตรให้มีเหตุผลและตอนท้ายในกาลามาสูตรอย่าเชื่อเพียงเพราะอ่านตำรายอย่าเชื่อเพราะเข่าวลืออย่าเชื่อเพราะนันพนี้สุดท้ายเชื่อเพราะอะไรเรื่องชาติน้ามีจริงไหม พร้าตรัสไว้ในกาลมาสูตรตอนท้ายบอกว่าถ้าชาติหน้ามีจริงหรือไม่ เ, เชื่อกับไม่เชื่อฟังให้ดีนะเชื่อเรื่องมีชาติหน้ากับไม่เชื่ออย่างไหนดีกว่ากันถ้าท่านเชื่อว่ามีชาติหน้าชาตินี้ท่านทำความดีทำบุญทำกุศล สิ้นชีวิตไปแล้วสิ้นชีวิตไปแล้วถ้าชาติหน้ามีท่านมีจริงท่านก็มีความสุขในชาตินะถ้าไม่มีท่านก็เป็นคนดีมีความสุขในชาตินี้เพราะทําความดีเพราะฉะนั้นเชื่อทาให้ท่านเป็นคนดีมีความสุขในชาตินี้ท่านมีครอบครัวอยากให้ลูกเชื่อหรือไม่เชื่อก็ อ, อยากให้ลูกคลูงเชื่อเป็นคนดีมีศีลธรรม และถ้ามีท่านก็กระโดดไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในชาตินะแต่สรุปแล้วได้กำไรได้ความดีได้ความสุขในชาตินี้เป็นคนดีมีความสุขศรัทธาทาให้เกิดการกระทาแล้วก็มีความสุขมีความเชื่อพรเจ้าตรัสไว้ในกาลามาสุดสุดท้ายเลยบางคนอ้างกาลามาสุดจะเชื่อตรงนั้นอ่านไม่จบความมีศรัทธา ทำให้เรามีความเชื่อที่ถูกต้องแต่ถ้าคนไม่เชื่อล่ะสมมติเป็นคนที่มีตัวเขาเรียกวิริยะความกล้ามากแต่ไม่มีศรัทธาเลยไม่ได้โดยเล่ก็เอาโดยกลนไม่ได้โดยหม่นก็ได้คาถาคนอย่างนี้น่ากลัวและอาจจะเกิดความผิดพลาดมีกำลังใจมีอะไรมากมายเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาม เ, เ, เนี่ยเมื่อเร็วๆเนี่ย เป็นวันครบรอบยี่สิบห้าปีในอเมริกาของอะไรคดีวอเตอร์เกตนิกซันวอเตอร์เกตของนิกซันเนี่ยครบรอบยี่สิบห้าปีก่อนตั้งมัดเรานิกซัน <c oughs> เป็นคนที่น่าชื่นชมอย่างหนึ่งแต่มาดูประวัติแล้วเป็นคนที่มี d r i ฟ์มีพลังมีวิริยะแต่ทำไมพัง ดูชีวิตของคนคนนี้นะนิกฟนหนึ่งน่าจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่นะอายุสามสิบสามปีได้เป็นถ้าบ้านเราเ็าเรียกสสใช่มอร์เซ e เทท t ฟสามสิบสามสามสิบเจ็ดปีเป็นเซ n นเตอร์สี่สิบปีเป็นว i c ส p r e s i d e n อ2สงสมัยอายุสนะี่สิบสมัย ไอซเซนฮาวเป็นอยู่สองสมัยและเขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นะพอพ้นจากไอซเซนฮาวไปเลือกตั้งในปีหนึ่งเก้าหกหกศูนย์แข่งกับเคนเนดีนิกสันกับเคนเนดีโตวาทีออกทีวีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อเมริกันแพ้หกหกสองไม่ยอมหยุดง่ายๆไปที่แคลิฟอร์เนียเป็นคนที่เขยียน ไปเลือกตั้งแข่งกันเป็นกอบเนอร์ของ California. แคลิฟอร์เนียแพ้แพ้อีกนะต่อต่อกันเลยดิสเกรสไหมหมดกำลังใจไหมประกาศต่อหน้าสื่อมวนชนเลยบอกผมขอประกาศแขวนหนวมล้างมือในอ่างทองคำแล้วเลิกเล่นการเมืองเด็ดขาดอายุสี่ไม่ไม่ไม่กี่ปีสี่สิบเศษเลิกไปเป็นลอยเออร์เป็นนักกฎหมายอยู่ที่นิวยอร์ก ตรงนี้เองที่ทำให้คนอเมริกันเนี่ยเขาชอบพูดล้อคนที่นี่ที่เขาบอกมีพี่น้องอยู่สองคนพี่ชายพี่ชายน้องชายสองคนคนหนึ่งแล่นเรือออกทะเลไปอีกคนหนึ่งได้เป็นรอง ป, ประธานาธิบดีเราไม่เคยได้ยินข่าวคนทั้งสองตั้งแต่นั้นมาปกติรองประธานาธิบดีไม่ได้ขึ้นต่อ ในปรวติศาสตร์ของอเมริกันรองประธานที่ดีที่ได้เป็นประธานาธที่ดาาบดีนั้นมีแค่สิบสี่คนเท่านั้นในสิบสี่คนเนี่ยแปดคนเป็นประธานาธิบดีเพราะประธานาธิบดีตายตัวเองเป็นรองอยู่ดีเซฟเป็นรองอยู่นี่เหมือนกับเป็นรองเจ้าวาดเดี๋ยวจะขึ้นเป็นเจ้าวาดเพราะเจ้าวาดมรณภาพแปดคนอีกหกคนเป็น เาเลือกตั้งและในหกเนี่ยมีห้าคนเนี่ยที่ได้เป็นต่อจากลูกพี่ตัวเองมีอยู่หนึ่งคนที่ไม่ได้เป็นก็คือนิกสันยังบุชต่อจะร์ีแกนแต่นิกสันนี่ต้องเว้นไม่ได้เป็นเว้นมาพ้นไปสองคนจอนสันแคเนดีกับจอนสันแล้วมาเลือกตั้งกลับมาอีกเขาเรียกโพลิติคอนคัมแบ k มีพลังและทำไมเขาตกน่าจะยิ่งใหญ่ทำงานอะไรสำเร็จหมดที่ตกเป็นเพียงเพราะเป็นเรื่องแปลกเนี่ยคดีวอเตอร์เกตเพราะเทปถ้าไม่มีเทปไม่พังบุกเข้าไปในวอเตอร์เกตบิลดิ้งเพื่อที่จะไปแถบโทรศัพท์กับลูกน้องเยนะนิคสันคงไม่รู้เรื่อง แต่ปัญหาก็คือพอหลังจากที่เกิดเรื่องแล้วเนี่ยเวอัพช่วยปกป้องพอช่วยปกป้องเนี่ยเขาก็สอบสวนมาไม่ยอมรับรู้บอกว่าไม่รู้ในใ น, ในสุดเนี่ยลูกน้องโดนเข้าคุกทีละคนละคนเหลือแต่นิกสันจะากแซคสฟลูกน้องลูกน้องก็ไม่ยอมเนี่ยเจ้านายรู้รู้ตอนหลังนิกสันรู้แล้วมีหลักฐานอะไรเขาบอกว่านิกสันเนี่ยขยันเป็นพิเศษชอบบันทึกเทป ในไวท์เฮาส์ตั้งแต่ปี1971ใครมาคุยเนี่ยนะแอบบันทึกเทปหมดแม้แต่ทัางภรรยาเพราะฉะนั้นเทปอันนี้มันยังอยู่ขยันเป็นพิเศษใครที่ชอบบันทึกเทปเนี่ยนะยังอยู่คณะกรรมการสอบสวนก็เลยขอเทปนิกสันไม่ให้บอกว่านี่เป็นอำนาจของประธานาธิบดีอภิสิทธิ์ของประธานาธิบดี กรรมการสอบสก็เลยขึ้นศาลจึงจนถึงซู perim court บอกว่าจะไม่ให้เฉพาะในกรณีธรรมดาแต่ถ้าเป็นเรื่องของคดีอาญาขึ้นศาลต้องให้เขาก็ไปปรวจประธานนิกสันตรวประธานสอบส่วนแลวตั้งใหม่คนยิ่งไม่ชอบใหญ่ในที่สุดเขายื่นประธานสอบสวนใหม่ขอยื่นขอเทปอันนั้นส่งให้พอส่งเทปให้เท่านั้นหลักฐานนั้นบอกว่า นิกซันได้คุยกับลูกน้องรู้เรื่องวอเตอร์เกตและพยายามครอบครัอัพหกวันหลังจากเกิดเรื่องมีราักาในนั้นหมดถามว่าคนที่ควรจะยิ่งใหญ่และมันเกิดพกผันอย่างนี้เพราะอะไรมีแต่พลังอย่างเดียวมาพอศรัทธาที่ถูกต้องตามหลักการอุดมการให้ถูกต้อง ไปในทิศทางที่ถูกต้องเป้าหมายไปในทางเดียวกันจะพาคนไปสู่เป้าหมายที่เป็นประสงค์ตรงนั้นคืออะไรเหมือนกับสังเกตยอย่างนี้นะเวลาเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยนะเครื่องบินจากปัจจุบันนี้มันใช้คอมพิวเตอร์หมดจะไปโตเกียวจะไปกรุงเทพเนี่ยเหมือนหนึ่งว่ากับตันไม่ต้องทำอะไรศรัทธาเหมือนกับการเซตคอมพิวเตอร์ให้มันตรงวางแผนเดี๋ยวมันจะลงยังไง มันจะไปต่อยังไงตั้งเวลาให้ถูกแรงของเครื่องบินมันเหมือนกับตัววิริยะที่ผ่าไปแต่ทำไมต้องมีกับตันในเมื่อคอมพิวเตอร์มันทำอะไรหมดคำตอบก็คือว่าเวลาเครื่องบินมันไปเนี่ยมันโดนแรงลมโลกหมุนมันไม่ได้ไปในทางหรือมันออกนอกทางอยู่เลยบางวันมันก็ไปออกเข้าไปในรัสเซียบางไปไหนนั่งเพราะฉะนั้นกับตันจะต้องเช็คต้องตรวจสอบ แล้วให้มันกลับเข้าที่ชีวิตคนเราก็เหมือนกันมันจะต้องมีตัวตรวจสอบไม่ใช่ว่ามุ่งแต่จะทำไปขยันไปมุ่งมั่นไปแต่ไม่เคยตรวจสอบตนเองว่าตอนนี้เราเป็นยังไงสุขดีหรือทุกข์ดีหรือไอ้ที่เร า, าทำทุกวันนี้นี่เพื่ออะไรที่เราปฏิบัติทุกวันนี้ต่อลูกต่อเพื่อนต่อพ่พอแม่พี่น้องต่อวัดมันถูกต้องไหมหรือปล่อยให้มันไปตามกระแสงมันเรื่อย ตั้งเซตความเชื่อนี้แล้วก็ไปเรื่อยๆ เ, เราจะต้องมีตัวตรวจสอบนั่นคือข้อที่สามเรียกว่าสติศรัทธาต้องมีวิทยามีพลังแต่เมื่อเดินหน้าไปแล้วจะต้องมีสติความรู้ตัวการตรวจสอบระวังระไวยบางคนนั้นบางทีไม่รู้ตัวทําอะไรไปใจลอยไปเรื่อยๆเนึ่องจะทําอะไรก็ทําไม่ได้ควบคุมไม่ได้สำรวมมันอย่างพระเนี่ยนะ พระจะต้องมีสติควบคุมตนเองเสมอมีพระบวชใหม่สี่องค์ในวัดเซนแห่งหนึ่งสัญญากันเราไหนไหนจะบวชใหม่แล้วนั่งกรรมฐานอย่างเดียวไม่พูดกันเจ็ดวันได้ไหมไม่พูดเลยนั่งมั่งบีนาบาสมับงอะไรบั่งแต่ไม่พูดกันมีสติตลอดเวลารู้ตัวตลอดเวลา วันแรกผ่านไปได้วยดีพอถึงกลางคืนเขาก็จุดตะเกียงพอจุดตะเกียงแล้วน้ำมันมันจะหมดไฟมันก็ริบรีบ ร, ริแต่แล้วคนก็นั่งมองกันมองตะเกียงดูที่ใครจะพูดก่อนอง์หนึ่งทนไม่ได้ก็เห็นคนใช้เดินมาลูกศิษย์เดินมาบอกนี่ตะเกียงจะดับแล้วเติม น, น้ำมันหน่อยองค์ที่สอบอกพูดทาไมไหนตกลงว่าจะไม่พูด องที่สามบอกโอจงจริงๆพูดทำไมอีกเล่ามันก็รู้แล้วไม่ควรพูดองที่สี่ดีใจผมชนะมีผมไม่พูดอยู่คนเดียวคือแล้วพูดทั้งหมดเลยสติมาไม่ทันดีใจกันมาก็ทําอะไรก็ตา่างเพราะฉะนั้นเวลาที่เราโกรธเห็นภาพนลยนะทํำไมเราควบคุมตัวเองไม่ได้กระแสเราตกไปในกระแส ยานิโสตานิโลกัสมิงสติเตสังนิวาระหนงังกระแสทั้งหลายในโลกที่มันดึงเราไปเนี่ยมันดึงเราไปเนี่ยมีสติตัวเดียวนั้นคอยตัดถ้าเราเศร้ามากๆไปหาเพื่อนสักคนถ้าเพื่อนคนนั้นเห็นเราเศร้าแล้วร้องไห้กับเราเนี่ยเรา้ร้องไห้ก็เป็นักเป็นเมรเกิดเพื่อนบอกร้องไห้บ้าบออะไร หยุดกระแสเยทำไมมาด่าฉันเลยด่าคนนั้นลืมร้องไห้ไปอาตมาไปพูดที่วชิงตันดีซีงานวันเกิดหลวงพ่อมหาสุตสักพูดวันแรกก็บอกว่าดีเอาอีกวันหนึ่งพอวันที่สองเดี๋ยวเขาจะนิมนต์บ่อยๆก็เลยพูดสไตล์ใหม่คนฟังร้องไห้เลยนั่งร้องไห้สงสารหลวงพ่อมหาสุตสัก แตมาเล่าอะไรไปเกี่ยวกับภาะ พ, พิงเกี่ยวกับอดีตของท่านคนฟังเนี้ยน้ำตาไหลทีละคนละคนจะทำยังไงดีร้อ ง, <laughs> องหไห้เลยยิ้นดูอย่างนี้ก็ร้องไห้คนกำลังร้องไห้แบบเศร้าพอดีเพจเจอของขหมดดังลั่นโบดเลยหมดอารมณ์เลย <laughs> กำลังเพิ่มไปดีๆนะตั้งขึ้นมาคืนวันจันทร์นะที่โน่นเหมือนกับเวลาที่ท่านเศร้าถ้าจิตมันตกไปในกระแสะท่านจะเศร้าไปอย่างนั้นมันจะต้องมีสติคลิกขึ้นมาออกมาจากกระแสะเช่นมันรูกว่าตอนนี้ฉันทำอะไรทำไดไ้อย่างบางคนเนี่ยเวลาโกรธมากๆเนี่ยนะ ถ้ามีคนคอยเตือนสติคุณเราเวลาเราเถียงกันทะเลาะ ก, กันนี่นะมาถ้ามันถึงจุดหนึ่งเราจะช่วยกันเปลี่ยนนะเถียงด้วยเหตุผลได้แต่อย่าทะเลาะ ก, กันให้โกรธกันเคยไหมไปร้องคาราโอเกนะเนี่ย ร้องอยู่นั่นแหละไอ้คนมันก็เสียงก็ไม่เอาไหนมันคนดูมันก็เลยโหวเลาะขำขำก็แคยังจะร้องคนก็ยิ่งโห่เลาะนะเมื่อไหร่จะจบตีก็เลาะโหวเราะกันในที่สุดจกทนไม่ไหวนะคนที่ร้องควักปืนออกมายิงส่งเข้ามาในคนฟังตายไปหนึ่งบาดเจ็บไปคนเพราะฉะนั้นอย่าไปหหวเลาะนะมันทนทนให้เขาร้องไปถามว่าทำไมจะต้องไปฆ่ากันตายต้องไปยิงกัน มันตกอยู่ในกระแสไม่มีตัวเบรกสติจะเป็นตัวเตือนตัวบอกว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรเพราะฉะนั้นสติเตสังนิวาระนังสติจะเป็นเครื่องเช็คเครื่องตรวจสอบและที่สำคัญที่สุดก็คืออตาตมาได้พูดแล้วว่าศรัทธาเรามีปัญญากากับไหมทำอะไรโงโงๆหรือเปล่าเอาปัญญามาตรวจสอบ ขยันวิระยะมากเกินไปแต่ไม่มีความสุขไหมเล่นกอล์ฟมากนี่เครียดนะในญี่ปุ่นเนี่ยมีสถิติเลยนะเล่นกอล์ฟมากเนี่ยตายเพิ่มขึ้นมีคนญี่ปุ่นเขียนหนังสือวิธีตายด้วยการเล่นกอล์ฟแต่น้าตายจริงถ้าเล่นแบบนั้นเนี่ยนะ เล่นกีฬาเล่นกอล์ฟเนี่ยแทนที่มันจะรีแลกซ์มีความสุขนะแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาตายเนี่ยเป็นในบรรดากีฬาด้วยกันเนียมาอยู่เป็นอันดับสี่ปีนเขาเริ้สึกจะอันดับหนึ่งมันก็แน่นอนอันดับสี่นี่ยเป็นตีกอล์ฟขึ้นมาได้ไงคําตอบคืออย่างนี้ผู้ที่เล่นตั้งแต่อายุหกสิบขึ้นไปในญี่ปุ่นมันไม่เคยมีสนามที่มันจํากัดมันเล็กๆๆ ๆ, ๆ เ, เพราะฉะนั้นถ้ามีสนามขึ้นมาเนี่ย จองล่วงหน้าถ้าจะได้เล่นสามเดือนมันก็เครียดที้จะได้เล่นหรือเปล่าเนยวันนั้นจะเกิดป่วยหรือเปล่าจะมีอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดไปชา้ารออีกสามเดือนหมดไปแล้วนะถ้าหนึ่งเครียดแล้วนะอันที่สองคนญี่ปุ่นชอบแข่งขันและเป็นการแข่งขันที่แปลกก็คือเวลาเริ่มเล่นเนี่ยห้ามโดโฮนอินวันในช็อตแรกเพราะถ้าหากว่า ทำอย่างนั้นสแสดงว่าคุณเก่งมากต้องให้กิฟต์ให้ของขวัญกับเพื่อนๆแน่เพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามอย่าให้เล่นดีเกินเครียดอีกแล้วเครียดมากในสุดเดี๋ยวนี้ก็มีอินชูลันส์หนึ่งร้อยเหรียญถ้าใครชนะจ่ายให้ห้าพันเพื่อไปเลี้ยงเพื่อนล้มทับขนิี เป็นความเครียดหนัหนกๆเข้าเนี่ยทำให้ชีวิตมีสตรสมากแทนที่จะได้พักผ่อนขยันเล่นมากตายเร็วคนญี่ปุ่นฮะเล่นไม่ถูกวิธีสติจะบอกว่าวิริยะนี่มากเกินไหเคยไม่ออกกำลังมากเลยฮาร์ดแอทแท็กวิง่งไปเลยอันไรคือความพอดีนี่คือสติสติตัดก่อนตายเตือนก่อนวายวอดท้า น, นี้สตินี่ทำยังไง สมมติท่านกำลังโกรธเนี่ยหาหาวิธีอะไรบอกตัวเองมีหลวงพ่อค์หนึ่งที่ญี่ปุ่นนำมาชอบเล่าเนี่ยถ้าตัวเองโกรธขึ้นมาเนี่ยท่านจะยกนิ้วพอยกนิ้วเนี่ยมันคือซิมบอลเป็นสนัญลักษณ์บอกว่าตอนนี้เรากําลังโกรธนะหยุดหยุดถ้าหากว่าเรากําลังเศร้ากลับมาสู่ปัจจุบันอย่าไปตกไปในกระแสกระแสของความเศร้ากระแสของความโฮมซิกกระแสของอะไรก็ตาม ออกมานอกระแสคือปัจจุบันสตินี่แหละคือตัวรักษาสุขภาพจิตที่ดีที่สุดเวลาที่ท่านเกิดอคเซชันหมกมุ่นกับเรื่องอะไรก็ต่างเนี่ยมันคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยเพราะท่านไม่ได้อยู่กับปัจจุบันคิดถึงอดีตบ้างคิดถึงอนาคตบ้างเครียดหนักอยู่จนั้นเบลอไปเพราะฉะนั้นกลับมาปัจจุบันบ้างผ่อนพักบ้าง ที่นี่เดี๋ยวนี้ Here and Now Moment by m บ m e n มแต่ละขณะหมายความว่าถอนตัวเองจากเรื่องที่ทำให้เราทุกข์เครียดออกมาสู่เรื่องที่สบายๆอะไรกันแะ น, นะกนหนาตรงนี้เป็นเรื่องของสติและบางคนเ น, เนี่ยในแง่ของการปฏิบัติธรรมมุ่งปฏิบัติมากเกินบางทีก็ไม่บรรลุวิริยะมากขาดสมาธิ ขาดความนิ่งของจิตขยันมากเครียดดูนักเรียนของท่านนะเป็นตัวอย่างลูกของท่านไปเรียนหนังสือเนี่ยถ้าให้เขาเรียนเรื่องที่ยากเกินไปเครียดเรียนเรื่องที่ง่ายเกินไปเบื่อฟังเทศที่เรื่องที่ยากเกินไปไม่ไหวหมดง่ายเกินไปรู้หมดแล้วเทศเองก็ได้ ใช่ไหมสําคัญว่าเราจะต้องหาอะไรที่มันพอดีมันท้าทายไม่เครียดและก็ไม่ผ่อนจนเกินไปในการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันในการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันมีลุงคนหนึ่งนะแกปฏิบัติธรรมแกขยันถือเศียรเคร่งหมดอยู่ที่ทิเบตมีลามะท่านหนะึ่งนักบวชลงมาจากภูเขาลุงคนนี้ก็ไปกราบแบอบกว่า เนี่ยขยันมีธรรมะอยู่แต่ไม่บรรลุสักทีจะทำยังไงถ้าลามะลุงผู้ลุงพ่อผู้ใหญ่นะบอกว่าคุณขึ้นไปนั่งกรรมาฐานบนยอดเขาแล้วก็สวดมนต์นะจะได้บรรลุธรรมลุงคนนี้แกก็ขึ้นไปบนยอดเขาไปนั่งอยู่ในถ้ำยี่สิบปีไม่ได้บรรลุอะไรเลยลงมาได้ข่าวว่าลุงพ่อลามะองค์นั้นมาอีกแล้ว ที่หมู่บ้านก็ลงมาจากยอดเขาพอลงมาจากยอดเขาก็มาเจหลวงพ่อหลังมาก็ไปบอกหลวงพ่อครับผมมีปัญหาครับหลวงพ่อสอนผมไปนั่งแต่ผมมันไม่ได้สำเร็จะหลวงพ่อบอกตั้งแต่เมื่ อ, อไหร่เมื่อ น, นั้นครับให้ทําอย่างนี้เนี่ยผมก็ทําแล้วไม่เห็นมันบรรลุเลยหลวงพ่อบอกโอ้โหตายเลยบอกวิธีผิดไปหน่อยไอ้ที่ให้ทํานั้นมันไม่ใช่ อ๋อแล้วมีวิธีแก้ยังไงครับหมดปัญญาเหมือนกันไม่รู้หลุงพ่อก็ไม่รู้แค่เสียใจแลนลุงคนนั้นยี่สิบปีไม่ได้อะไรเลยโฟนัซิงกลับขึ้นไปบนเขานั่งเสียใจไม่มีอะไรทำก็นั่งกรรมฐานต่อบรรลุเลยพอผ่อนคลายเร่งมากเกินไปตึงเกินไป อุปาทานยึดติดสมาธิไม่เกิดพอผ่อนคลายมันไม่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมามันแฮปเพน์มันเกิดขึ้นสมาธิมันเป็นสิ่งที่เกิดไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างจินตนาการพอเกิดพอดีขึ้นมาบรรลุกอันนี้เป็นเรื่องทางทิเบตถ้าเป็นเรื่องทางเถรวาสในพระไตรปิฎกก็พระอานนท์ไงพราทั้งหลายจําได้ดีพระอานนท์น ไล่ผู้ได้เจ้าประนิพานแล้วพระมหากัสปะนัดประชุมพระสงฆ์พระอรหันห้าร้อยรูปห้าร้อยเพื่อทําสังคยนาเรื่องที่พระเจ้าเทศ100ร้อยกลองเป็นพระไตรปิฎกเหลือที่เลือกไว้สี่ร้อยเก้าสิบเก้าเหลืออยู่หนึ่งที่พระอานนทพระอนนทยังไม่ได้รับเลือกเพราะยังไม่ได้เป็นพระรอรหัน์ยังไม่หมดกิเลสเกิดเครียดแม้พระอนนทสมมุติใกล้วันประชุมมาต้องเร่งปฏิบัติเพื่อให้เป็นพระอรหัน เพื่อเข้าไปนั่งในที่ประชุมความที่เครียดมากเกินไปโฮมากเกินไปมันไม่พอดีสติมันไม่ได้ปรับระดับสติเป็นเครื่องปรับเพราหนักมากเกินไปเดินเท่าไรเท่าไรจงกรมบ้างนั่งกรรมฐ า, านบ้างเท่าไหรเท่าไ ร, าไรก็ไม่บรรลุในสุดพระอ น, นุ์บอกไม่เอาละนอนดีกว่าก็เดินไปยังมีสตินะไปบนเตียงเอนกายลงนะเอนหลังลงมา หลังยังไม่ทันแตะพื้นเลยบรรุเลยใครจะเอาอย่างบ้างก็ได้นะไปเตียงทุกวันปฏิบัติมากับอาจารย์ผมมาไปอีกแล้วเพื่อจะเป็นพระนอ น, นุ์บั้งแต่อันนั้นเขาต้องปฏิบัติจริงนะไม่ใช่มาอันนี้ก็หมายความว่าสติปรับให้เกิดความพอดีอะไรถูกอะไรควร มีสติแล้วเนี่ยต้องมีสมาธิหนึ่งศรัทธาตั้งเป้าหมายไปให้มันถูกทางสองวิริยะจริงจังตัดสินใจคําว่าดีไซน์เนี่ยตัดสินใจลากศัพภาษ า, าละตินแปลว่าตัดตัดเรื่องอื่นให้หมดภาษาไทยเราแปลดีนะตัดสินใจเวลาที่ท่านเลือกเนี่ยท่านตัดอย่างอื่นทิ้งเรื่องอื่นมาทําเรื่องนี้ เมื่อตัดและเรื่องอื่นมาทำเรื่องนี้ทำไมไม่ทำให้ตลอดถ้ามาฟังเทศฟังให้จบอย่าเดินไปเดินมาตัดสินใจเข้ามาแล้วอย่าออก <laughs> making decision นี่คือสมาธินะสมาธิคือทำเรื่องเดียวแต่อย่าให้อย่าให้เครียดอีกนะเล่นกอล์ฟมันอย่างเดียวองนะต้องมีสมาธิและก็มีสติคือผ่อนพักคอยตรวจสอบทั้งทั้งหมดนี้จะต้องไปด้กัน สมาธิเมื่อตัดสินใจทำมุ่งไปเรื่องนั้นเพียงเรื่องเดียวและบางคนเนี่ยนะพอไม่มีสมาธิเพียงมุกเดียวอาจจะเป็นโศกนาฏกรรมทั้งชีวิตเคยแม่ขับรถไปแค่วอกแวกแป๊บเดียวยชนเลยมีคนคนหนึ่งเน่อเป็นคนบริกันเนี่ยนะเขาขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย หกสิบห้าไมล์ต่อชั่วโมงขับไปดีๆนี่นะตามรถถักไปเนะี่ยรถบรรทุกเนะี่ยแล้วอยู่มันมีอะไรอยู่ข้างทางเนี่ยจะเป็นเสียงหรือเป็นอะไรกันมันหันเหความสนใจให้ไปฟิกอยู่กับเรื่องนั้นแวบเดียวเท่านั้นก็หันไปมองเนะี่ยไปดูไปสงสัยเท่านั้นที่กาลังขับรถเนี่ยสติมังอยู่ควรจะอยู่กับการขับสมาธิควรจะอยู่กับเป้าหมายมุ่งเนื้อการขับแค่วูบเดียวเท่านั้นหันไปเท่านั้นนะ่ย กลับมาอีกทีเนี่ยรถมันเบรกข้างหน้าเนี่ยมันเบรกเบรกแกทำยังไงแกมีประสบการณ์นหน่อยแกก็สไลด์รถให้มันล้มแต่แขงลงหกสิบห้าไม่ต่อชั่วโมงรถกระเด็นเข้าไปใต้รถบรรทุกแกส๊สน้ำมันมันรัน่วอีกไหนคือมันระเบิดปูมเดียวเนะี่ยแกไหม้ไปเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตวูบเดียว แต่คนคนนี้เขามีวิริยะไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเคยเป็นคนรูปร่องหมดเลยเจ็ดสิบห้าเอร์เซ็นให้ยาก็ไม่ได้นะเจ็บไปหมดเจ็บไปทั้งตัวแต่แกก็ฟื้นมาพอฟื้นมาเนี่ยสามปีเท่านั้นหลังจากสามปเีเกิดเหตุเนี่ยสามปีแกทำธุรกิจประสบความสำเร็จมากทุ่มไปเรื่องเดียวทำธุรกิจเนี่ย ในคนนี้เขาชื่อมิชเชลเดอะบลมิชเชลอยู่ที่โคโลราโดกลายเป็นมินเลนแอนทำธุรกิจรวยมหาศาลรวยแล้วแกยังไม่หยุดนะหัดขับเครื่องบินเครื่องบินเล็กเนี่ยนะไม่กี่ที่นั่งเนะี่ยขึ้นไปขับพาวันมีวันหนึ่งเนะี่ยพาเพื่อนไปสามคนเองขับไปด้วยไม่ได้เช็คเช็คลิสต์ดูว่าเครื่องมันปกติั้ย มันมีน้ำแข็งตัวฟรอสมันเกาะอยู่ที่ปีกเครื่องบินตกเพื่อนสามคนปลอดภัยแกเองเนี่ยตรงหลังนี่หักต้องนั่งเก้าอี้ภรรยาทิ้งเลยทีนี้บอกครั้งแรกตกมอเตอร์ไซค์แล้วนี่ตกเครื่องบินอีกฉันไม่เอาด้วยแล้วนี้เลยภรรยาหนีแกไม่หยุดเป็นคนที่มีดรฟ์มากมีพลังมากๆเลย ทำต่อยยังไงไปตอนนั้นรวยแล้วเป็นนักธุรกิจแล้วมันอยู่ตัวแล้วไม่ต้องทําธุรกิจแต่ต้องหาเรื่องทํานั่งเก้าอี้เนี่ยเค้นไปเรื่อยๆเนี่ยเขามีสมัครแม่ของซิตี้ไปสมัครแข่งกับเขาหาเสียงไปเคาะประตูทุกบ้านพอมีคนรู้จักก็ไม่ได้นะสมัครเป็นรองผู้ว่าของรัฐโคโราโด หาเสียงมันทุกบา้านนั่งก็อกเอะใจไหมปรากฏว่ามีคนสมัครอยู่หกคนเนี่ยแกได้อันดับที่สามตอนนี้หันมาทำอะไรจัดรายการวิทยุไม่หยุดพลังแล้วแต่งงานใหม่แล้วอันนี้พีเอฟวิริยะคือพลัง ต้องมีศรัทธาในตนเองหาเป้าหมายเริ่มชีวิตใหม่เหมือนกับแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรและจริงจังมุ่งมั่นไปตรงนั้นก็คือทำเพียงเรื่องเดียวคือสมาธิสมาธิก็คือคิดเรื่องเดียวไม่บอกแหวกจริงจังไม่ทิ้งทำติดต่อแต่ก็นั่นแหละบางคนนี่มีความรู้สึกว่าถ้าเราทา มันก็จะต้องมีปัญหามีอะไรต่างๆแล้วก็คนมากวนเขาเรียกอุปสรรคมาแกล้งเรามาบอกไอ้ที่เราทำมันไม่ถูกไม่ดีเสียสมาธิปวนสมาธิเราทำไปทำไ ม, ำไม อ, ยอย่างนู้นอย่างนี้อยู่ที่ว่าท่านจะคุมความรู้สึกได้ไหัหยที่เมืองไทยเนี่ยนะมีข่าวออกมาก่อนที่จะมาจมาหนังนสือพิมพ์ไม่ใช่นิตยสารเอเชียวีค ขายทั่วเอเชียได้ทำการสํารวจทำสถิติมหาวิลัลยดีที่สุดห้าสิบอันดับในเอเชียท็อปฟิี้เนี่ยนะว่ามหาวิลัลยเนี่ยอะไรบ้างที่ดีที่สุดถามไปทั้ที่ต่างๆทำแบบสอบถามปรากฏว่าอันดับที่หนึ่งมหาวิเลยที่ดีที่สุดของเอเชียนะอันดับที่หนึ่งคือมหาวิลัลย โตเกียวอันดับที่สองมหาวิทยาลัยเกียวโตของญี่ปุ่นอันดับที่สามมหาวิทยาลัยฮ่องกงอันดับที่สี่มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ยังไม่ถึงไทยเลยดูมาเรื่อยเรื ย, รยไทยมาอยู่อันดับที่สามสิบหกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับที่44มหาวิลัลจุลาจุลาเต้นเลยเนาะทำไมมันน้อยกว่าจุดธรรมศาสตร์อธิการบดีจุลาออกมาให้สัมภาษณ์ไอ้ถามแบบนี้มันใช้ไม่ได้นี่มันตัวแปรมันน้อยถามน้อยถ้าเราทำงานทุกคนว่าไม่ใช่มาเถียงอย่างเดียวต้องตรวจสอบตนเองด้วยดอกเตอรรุง่งแก้วแดงสภาการศึกษาบอก เขาสำรวจก็ดีแล้วเราจะได้มาตรวจสอบตัวเองมองวัดตนเองปรับปรุงตนเองว่าทําไมมันอย่างนั้นถ้าดูในออินเดียมหาวิทยาลัยในอินเดียอันดับที่ยี่สิบเก้าหลายท่านจบจากอินเดียเ อ, อเป็นมหาวิทยาลัยเดลีอันดับที่สี่สิบเจ็ดมหาวิทยาลัยเนรู อันดับที่ห้าสิบมหาวิทยาลัยบอมเบมีใครจบเดลีไหมอาตมาจบเดลีอืมไม่มีจบถามว่าคำวิจารณ์ก็ดีอะไรก็ดีทำให้เราวอกแวกไหมหรือว่ามันจะเพิ่มพลังให้เรามุ่งมั่นทำต่อไปอีกตรวจสอบตนเองอีกด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นเราก็จะมาข้อ ที่ห้าข้อสุดท้ายก็คือถ้าเกิดถูกวิาพากวิจาร์คิดอย่างไงปัญญาบางคนนี่เสียสมาธิกับเรื่องต่างๆวกแวกต้องมีปัญญาพิจารณามีเหตุมีผลปัญญาคือความคิดอย่างมีเหตุมีผลความรู้เท่าความรู้ทัน รู้เท่าเอาไว้ป้องกันรู้ทันเอาไว้แก้ไขทีนี้บางคนนี่มันมีปัญญาแต่ว่าพอสติมันไม่มาเนี่ยนะสมมติเวลาที่เรากาลังเถียงกันไขโกรธขึ้นมาเนี่ยความโกรธนี่มันจะทำให้ทำเป็นช่องเดียวให้เรามองไปด้านเดียวไม่มองรอบๆอย่างที่ตาเราเคยเห็นเมื่อถูกมองไปด้านเดียวอย่างม้าเนี่ยนะม้าที่มันจูงรถม้าวิ่งไปตามถนนเนี่ยเขาจะมีที่บางตาตรงนี้ เวลารถแซงมันจะไม่ตกใจพาผู้โดยสารออกไปทางไห น, นม้าไม่ถูกทำให้มองอย่างนีน้คนบางคนเหมือนกับมา้าตรงดิ่งนึกจะทำอะไรก็ดุยดูยดู ย, ดยไม่เคยมองรอบรอบด้านหัวชนฝามีโจรอยู่คนหนึ่งเนะแกจะไปปล้นอยู่ที่ฟลอริดาเนี่ย เดินไปในร้านเหล้าจะปล้นเห็นคนเยอะขึ้นมาแกก็คิดให้ทำไงถึงจะปล้นได้คนมันเยอะแกก็ควักกระดาษในกระเป๋ามาเขียนโน้ตท่านๆส่งไปให้แคชเชียร์นี่คือการปล้นส่งเงินมาถ้ารักชีวิตแคชเชียร์ก็ดีดีนะลัวรุนรานส่งเงินให้หมดเลย แกก็หายลอยนวนไปไม่ถึงสองชั่วโมงตำรวจมาจับทำไมมาจับตำรวจก็บอกว่าไอ้น้ตที่แกเขียนมาเนี่ยนะมันมีแอดรสที่2องชื่อที่อยู่แกเรียบร้อยหมดดุยดุยดุยนึกจะทนไม่เคยมองภาพด้านนึกจะทำอะไรนึกจะพูดอะไรไปอยู่ช่องเดียวเหมือนกับมา้าที่ถูก กำหนดให้มองปัญญาแปลว่าความรอบรู้มองมันรบรอบหน่อยองซ้ายมองขวารู้รึกรู้รอบนั่นคือปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาตรงนี้มันจะต้องมีเหตุมีผลบางคนนี่จะทำอะไรก็ดื้อรั้นทำไปเรื่อยมีม่ข่าวดีสำหรับชาพุทธก็คือตอนที่เขาร่างรัฐธรรมนูนใหม่ไม่รู้จะดีกี่วัน ตอนสสรอ น, นี่ยเราต่อสู้กันมาังแตร่รัฐธรรมนูญเก่าเพื่อจะให้มีมาตราใดมาตราหนึ่งเขียนว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติไม่สําเร็จในรัฐธรรมนูญก่อนมาครั้งนี้สําเร็จแล้วเห็นเขาเขียนเขาบอกเขาเขียนไปแล้วพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติแต่ตมายังยังไม่ชอบใจอยู่บางมาตราที่เขียนเกี่ยวกับพระ มีอยู่มาตราร้อยร้อยห้าเนี่ยมาตราที่สสลอเขาร่างมาเนี่ยถ้าคิดเหมือนก็แปลกๆดีเขาบอกว่าห้ามพระลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไปลงไปลงยันบัตรไม่ได้นะพระสมัครเลือกตั้งไม่ได้อาตมานี้หมดสิทธิ์ถ้าไม่งั้นจะลง <c oughs> เลือกตั้งไม่ได้เขาเขียนเอาไว้ในมาตราร้อยห้าห้ามพระลงคะแนนแต่อ่านแล้วมันแปลกๆ อาตมาอาจจะอ่านให้ฟังที่เขาร่างไว้มาตราหนึ่งร้อยห้าบุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิเลือกตั้งคือหนึ่งวิกลจริตสองเป็นภิกษุสามเณรสามต้องคุมขังโดยหมายสารเที่เขาไม่ให้ เ, เลือกตั้งเลยทำไมมันไปอยู่ในกลุ่มวิกลจริต แต่มายังคิดด้วยเหตุผลนี่ยังไม่ออกนะต้องฝากหลวงเทียวไปช่วยถามเอาาไว้มันอยู่ที่มันมาตราอื่นที่มันดีกว่านี้ไม่มีสิเลือกตั้งเนี่ยมันกลุ่มไหนกลุ่มต้องขังกลุ่มวิกลจริตแล้วก็พิคูลสามเณรคิดด้วยปัญญาอย่างไรก็ยังงองอยู่เนยสิทธิ์แปลกแปลกมันโดนหายหายไปไป <Yeah. S 1> เพราะอะไรต้องลองคิด แล้วถ้าเกิดเถียงกันมันก็โอเถียงกันอย่างทะเลาะกันเนีลยนะถ้าเราไม่มีสติเนี่ยมันก็จะต้องใสากันไปใส่กันมาเนี่ยบางคําถามเนี่ยถามกวนแล้วถ้าเกิดเราตกอยู่ในกระแสก็ตอบกันไปเถียงกันลงหน้าหนังสือพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยเมื่อรัชกาลที่ห้าเสด็จประพาสยุโรปทางยุโรปเตือนกันใหญ่เลยนะอย่าถามคําถามที่ไม่สุภาพต่อ พระตอกทิงของสยามบอกกันเลยนะในโต๊ะอาหารเนี่ยโต๊ะดินเนอร์เนี่ยแขกบา้านแขกเมืองอย่าถามพระเจ้าแผ่นดินพระยามว่าทำไมมีมเมหสีหลายพระองค์มันจะเป็นทำให้ท่านไม่เป็นกันไม่เขาเรียกกระดักกระเบิดตอบลำบากอะไรเงี้ยเสียหน้าบอกกันเลยนะเตือนกันไว้ปรากฏมีวันหนึ่งที่หวังในยุโรป เจ้าหญิงองค์หนึ่งทนไม่ได้ยังวัยรุ่นอยู่เนี่ยยังใจร้อนอ่ะนะทำไมต้องห้ามมันอยากรู้ก็กำลังอยู่ในระหว่างสเสวยเนี่ยยังไม่เสร็จเลยถามเลยพร่งขึ้นมาขอถามคงถามสักข้อหนึ่งหนออะไรอ่ะทำไมมีมเมห์สีไรพระองค์ทำไมพระองค์มีเห์สีไรบงทาไมมีภรรยายเยอะอย่างนั้นเนี่ยทั้งโต๊ะเงียบตึกเหายใจไม่ทั่วท้อง แต่ก็อยากจะรู้ว่าจะตอบว่ายังไงยังหูฟังยังหูฟังเจ้าหญิงถาม น, นะทำไมจึงมีเมห ah ส e ีหลายพระองค์ราชการที่ห้าตอบทันทีเลยที่มีเมห ah ส e ีหลายที่มีภรรยาหลายคนเนี่ยก็เพราะว่าเรายังไม่ได้พบเธอนะสิ ไม่สรวงฤทธิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นนี่คือสตินะฉับไวมากเลยปฏิผ่านไม่ไม่ได้ตกไปสู่กระแสที่กระตุต้นหรือยั่วปัดทันทีเลย ราชการที่ห้าทรงมีพระปีชาในหลายๆเรื่องปัญญารอบรู้ปฏิพานตอบตัวได้เร็วได้เดวได้ฉับไวเพราะฉะนั้นในการที่คนที่จะค้นพบอะไรความจริงอะไต้องเป็นคนที่มีศรัทธาเชื่อในวิธีการเมื่อเราทำธรุรกิจชั่วทำอย่างนี้ต้องทำได้และจะต้องมีวิริยะเอาจริงเอาจัง ทำมีสติปรับศรัทธาต้องมีปัญญาวิริยะอย่าให้มากอย่าให้หนักเกินไปปรับอินทรีย์ศรัทธาจะเด่นมาในความเชื่อแต่มันไม่มีเหตุผลเอาปัญญามากำกับมันจะมีเหตุผล้วยมีความเชื่อที่เราเรียกว่า rational belief เป็นความเชื่อที่มีเหตุผลความเชื่อที่มีเหตุผล และสติเป็นตัวกรองปรับอย่าไปตกอยู่ในกระแสไปออฟเซสไปหมกมุ่นไปโกรธเกินไปหนักเกินไปและสมาธิถ้าทำยังไงตรงดิ่งไปเรื่อยได้ดีแล็กได้ผ่อนคล า, ายสบายและเชื่อว่ามีความสุขสมาธิเป็นตัวความสุขและปัญญาจะดูรอบๆอย่างนักวิทยาศาสตร์นี่นยนักวิทยาศาสตร์ที่เขาค้นพบ วิยาศาสตร์เนียถ้าดูในประวัติศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยหลายเรื่องเป็นอาศัยธรรมะทั้งหมดเรื่านี้ทั้งหมดการค้นพบดาวนพเคราะห์ที่มีก้าดวงอ่มีดาวดวงหนึ่งที่เขาเรียกดาวเนปจูนค้นพบจะว่าโดยบังเอิญหรือโดยความอยากรู้อยากเห็นก็นได้ตอนนั้นเขาเขาถือว่าดาวที่ อยู่ไกลที่สุดนะฮะจากดวงอาทิตย์ไม่สุดคือดาวยูเรนัสโคโจรเนี่ยนะักวิทยาศาสตร์เขาส่องกล้องดูเขาเห็นดาวยูเรนีสเนี่ยมันเบี้ยวเบ้ยวมันไม่มื น, ม, น, ม, นมันเวลาโคโจรเนี่ยปกติมันเคยไปอย่างนี้บางครั้งมันเฉยออกไปอนี้บางทีมันก็เข้ามาข้างในมาหาดวงอาทิตย์บ้างออกไปบ้างถ้าไม่มันเบี้ยวเบี้ยวทำมันไม่มาเป็นเส้นโค้งเขาก็สงสัยส่องก็ไม่เห็นว่าเป็นเหตุอะไร บางคนก็ตั้งทฤษฎีว่าอะไรที่อยู่ไกลมากจากดวงอาทิตย์ตอนนั้นไกลที่สุดเนี่ยดาวยูเรเนัสสิ่งนั้นจะโครจร อ, อย่างไม่มีแบบแผนสรุปไปนะแต่เขาก็ไม่เชื่อเขาสังเกตต่อไปที่มันมวิวเนี่ยดาวนี่มันจะมีแรงดึงดูดดวงที่อยู่ใกล้ๆกันเหมือนโลกกับพระทิตย์พระจันทร์น่าจะเป็นไปได้ว่าดาวยูเรเนัสที่มันโค้งๆออกนอกทางเนี่ย น่าจะมีดาวอีกดวงหนึ่งที่อยู่ด้านนอกออกไปเนี่ยดึงดึงไปหาบ้างผลักออกมาบ้างมีแรงกระทําที่อยู่ไกลออกไอีกนั่นคือดาวอีกดวงหนึ่งที่ยังมองไม่เห็นเขาก็สรุปว่าน่าจะต้องมีดาวอีกดวงนั้นชื่อว่าดาวเนปจูนเชื่อกันมาสามปีโดยทางคณิตศาสตร์เนี่ยคํานวณเขาเชื่อว่าคณิตศาสตร์ตอบคาถามได้และมาในปีสองพันสามร้อยแปดสิบเก้า เขาสองกล้องค้นพบดาวเนปจูนจากที่ตั้งสัทธามาตั้งแต่ 2,386,86,87,88,89 สี่ปีแล้วค้นไปตามนั้นค้นพบดาวโนระเคราะห์ดวงนี้เป็นเรื่องของการต่อสู้ไม่ใช่นั่งดูดวง จุดเปลี่ยนในชีวิตเป็นเรื่องของความหักเหที่เกิดจากความมุ่งมั่นฟันฝ่าเป็นพรสแสวงไม่ใช่พรสวรรค์บางครั้งก็ต้องมีสิ่งที่เรียกกันว่าอะไรความล้มเหลวแต่ลุกขึ้นมาสู้กันใหม่บาดเจ็บบ้างอะไรบ้างใจหายใจคว่มบ้างบูสเกือบไม่ชนะ นึกว่ามันจะแพ้แต่มันสองสองแล้วแล้วมันกลับมันได้อีกทำไมลองถามคนที่เชียร์บอกสองสองไม่มีทางกลับแพ้แน่นอนหมดสถาแล้วอุตส่าห์นาไปเนะี่ยยังมาเท่ากระนิดแพ้แน่แล้วทําไมมันกลับอ่บอกมันแกล้งป่วยจอแดมันแกล้งป่วยคนเลยไม่ดับเบนทีมมัน เห็นมันป่วยสงสารโดยชนะน่แล้วแต่จะพูดที่แน่ๆก็คือว่ากับตันทีมฟิลแจ็กสันทำสมาธิเขาประกาศว่าเขานับถือพุฒนานิกายเซนเป็นชาวพุทธนะเฮดโค้ชของชิคาโก้บูลเป็นชาวพุทธ ปฏิบัติเซนเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าไม่ว่าจะอยู่ในสนามหรือนอกสนามฟิลแจ็กสันเขาบอกไม่ว่าจะอยู่ในสนามหรือนอกสนาม w h e t h e r on the court or off what I call for in my people is full awareness and attention That is really what sense is about จะเล่นอยู่ในสนามหรือนอกสนามต้องมี awareness สติ attention สัมปะชัญญาตื่นตัวตลอดเวลานั่นคือเรื่องของเซนเขาสอนเขาสอนให้คนที่อยู่ในสนาม ฝึกลูกน้องเขามีสติรู้ตัวตลอดเวลาเบสเกบอลไม่รู้มันจะมาจากที่ไหนส่งมาจากไหนก็ไม่รู้ต้อง alert เต็มที่และวิธีที่ดีที่สุดคือฝึกสติฝึกสมาธิคนจะเชียร์คนจะโหคนจะไปยกลูกโป่งใส่อย่าไปสนนั่นคือชีวิต นั่นคือชีวิตและสิ่งที่ฟิลแจ็กสันพูดไว้กับไมเคิลจอแดนเขาบอกว่าจุดเด่นของไมเคิลจอแดนไมเคิลจอแดนคือ competitive drive คือตัววิริยะความต้องการแข่งขันพลังที่จะเอาชนะนี่คือจุดเด่นและจุดอ่อนของเขาก็คือ competitive drive คือความอยากแข่งขันจุดอ่อนด้วยเพราะถ้าเมื่อใดไม่มีใครมาแข่งหมดพลังชนะง่ายเกินไปฟิลเจ็กเซนบอกว่านั่นคือเหตุผลทำไมที่เขา walk out เดินออกไปหลังจากชนะสามเกมติดต่อกันสามปีที่ได้เป็นแชมป์3 p ีพี e มันไม่มีอะไรที่จะท้าทายเขาเขาเลยไปเล่นอะไรเบสบอล เมื่อไม่มีอะไรท้าทายไปวัดนี้ถ้าไม่มีสร้างกุฏิต่อไม่มานะไม่ท้าทายไปวัดยางน้อยไม่ค้นแจ็คสันต่อไม่ค้นจอแดนต่อ <c oughs> เรียกผิดเลย <c oughs> เห็นไหมบางทีต้องเข้าใจนี่คือลักษณะของคนผู้ยิ่งใหญ่ หยุดไม่ได้ต้องทำสร้างสารรค์จุดอ่อนคือถ้าไม่มีใครมาทา้าทายก็ไม่ทำนี่คือสิ่งที่เขาเเพราะฉะนั้นปีนี้ทำไมจอแน่นถึงเล่นสุดฝีมือ ท, ท, ทั้งทั้งที่ป่วยคำตอบคือมีอย่างที่ไหนไปให้คารมาโลนเป็นเอ็มวีพีตัดหน้า มันยามนั่นคือจุดพลาดของเขาทำให้เล่นเต็มที่ดูไม่งั้นก็เฉยมีไหมพวกเราช่วยล้ำเป็นอยู่แล้วไม่ต้องฝึกมากานนเน้นกันไแต่เป็นครั้งแรกนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับนะทุ่มเต็มที่ อาตมาจะบอกตัวเองเสมอถ้าจะพูดจะไม่แม้จะพูดเรื่องเดิมแต่จะไม่เอาเรื่องที่เคยพูดมาแล้วมาพูดยกเว้นแต่โยมจำไม่ค่้ได้ที่เดียวกันในเมืองไทยเนี่ยไปอบรมผู้บริหารเป็นสิบสิบรุ่นตัดเทปไว้แต่ละครั้งไม่เหมือนกันหัวข้อเดิม ถ้าพูดเรื่องเดิมมันเหมือนกับเทปมันรีพีทมันไม่ท้าทายมันไม่สร้างสารรค์ให้มันพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมาที่นี่พระจะรู้แต่มาจะหมกมุ่นอยู่กับห้องส ม, มุดค้ น, คนจนนาทีสุดท้ายจะลงมาเนี่ยพิมพ์ออกจากคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ที่นี่มันเจ๊งมันมมฟ้องเลย ในเมื่อวานนี้ได้ฟังหลวงพ่อปัญจนาะพูดถึงเจ้าประคุณสาเด็จนำมาอยากจะประกาศตรงนี้สมเด็จพระเทวาญมูนีท่านเป็นนักปราชญ์ในหลายๆด้านแต่มีส่วนหนึ่งมีด้านหนึ่งเนียที่มีอิทธิพลต่อธรรมาโดยตรงนั่นก็คือตอนเรียน ประโยคเก้าเนี่ยสูงสุดยากที่สุดเนี่ยบริก้าประโยคชั้นประโยคเก้าเนี่ยที่หลวงพ่อเองแท่นก็ตกเนี่ยมันยากแล้วแต่มาต้องสอบให้ได้ในปีเดียวเพื่อจะต้องเป็นนากหลวงเป็นประโยคเ้าเป็นสมณีนและตัวเองต้องเรียนมหาจุฬาเรียนพึงเงาตอนบ่ายต้องเรียนเป็นญาตรีอีกแขนงหนึ่งตอนเช้าต้องเรียนบริ เพื่อนๆ เ, เขาไม่เรียนมาหาจุฬากันหรอกเพราะเขากลัวจะตกประโยคเก้าแต่เรามาเรียนสองอย่างเพราะมีความรู้สึกว่าถ้าตัวเองมีความสามารถทำไมไม่ใช้ความสามารถให้เต็มที่เรียนทั้งสองปริญญาบ้างกันแต่ประโยคเก้าเป็นยากที่สุดยากกว่าปริญญาเอกที่จะมาเรียนเยนมาเพื่อนๆไ่้ จ, จบปริญญาเอกแต่ไม่จบประโยคเก้าท่าทาย มืถึงจุดหนึ่งเนื่องจากอาตมาเนี่ยไม่ได้เรียนประจําวิชาที่ยากที่สุดคือเอเซคือเรียงความภาษาบาลีเอาพระบรมราชโองาทมาให้แล้วก็ให้เราแต่งไม่ใช่แปลนะเขียนเรียงความเป็นภาษาบาลีเก็บความมาเป็นวิชาที่เขาเรียกว่าค่าแชมปมา์มากๆๆตกกันอยู่นั่นเนี่ยอาตมาเราไม่ได้ไปเรียนประจําแต่งไม่ได้แต่งพยายามได้วิธีมา อาจารย์ที่สอนอยู่ในสมัยนั้นเนี่ยท่านมีวิธีแต่งซึ่งอาตมาเรียนแบบไม่ได้อาจารย์ที่สอนประจำที่วัดสัมพยาคือใช้สนนบาลีเนี่ยประโยคยาวมากประโยคเดียวเนี่ยนะสามบรรทัดสีบ่บรรทัดแต่งไม่ได้มื่รู้ทีหลังว่ามันไม่เหมาะกับวิธีคิดของเราภาษานี่มันตรงกับวิธีคิดสตรัคเจอร์ของภาษาในสมอง บางคนจะพูดประโยคอยาอย่างคนเยอรมันนี่พูดไว้ตั้งครึ่งหน้าแล้วยังไม่ฟุนสต็อปคนเยอรมันแต่บางคนนี่นะพูดสั้นๆกระชับแต่มาค้นพบตนเองว่าต้องแบบนี้ตอนที่เขียนเอเซภาษาอังกฤษเขียนบทความภาษาอังกฤษนี่ประโยคมันจะสั้นกระชับทุกเรื่อง ภาษาไทยก็แช่งรับแต่ลองให้แต่งบาลีเป็นประโยคยาวนี่ทําไม่ได้ใกล้สอบแล้วหมดปัญญาแล้วแล้วเราจะสอบได้หรอเราแต่งไม่เหมือนอาจารย์เ <S an> พื่อนๆเขาแต่งเหมือนกันหมดแต่เราทาไม่ได้วันหนึ่งอรรมาก็ไปเปิดหนังสือเก่าเป็นสำนวนบาลีประโยคเก้าสอบในสนามหลวงของสมเด็จพระรทวาญมุนีมหาธีปุณโก มหาธีสอบประโยคเก้าได้แต่งแบบไหนเขาก็มาผิมรวมกับสำนวนนีดืน่นแต่มาเปิดทุกสำนวนนว่าสำนวนนไหนนี่เหมาะกับเราเปิดมาถึงของมหาทีปุณโกวัจจกวตรตื่นเต้นมากเลยนี่เราก็แต่งได้ซอยเป็นคอนเซป์ย่อยแล้วแปแต่งเป็นบรีสั้นๆลองทำดูก่อนสอบเพียงสามวันเท่านั้น อัตมาไปสอบได้คะแนนเต็มในวิชานี้จากวิธีการแต่งของหลวงพ่อสมเด็จมหายานมุนีมารู้จากหลวงพ่อปัญญาธท่าเมื่อวานว่าท่านก็ได้อิทธิพลจากภาษาอังกฤษเหมือนกัน อังกฤษบาลีลาตินฝรั่งเศสเป็นภาษาอินโดยุโรเปียนตระกูลเดียวกันแต่บาลีเป็นภาษาที่ตายเพราะฉะนั้นอะไรที่พัฒนาการอยู่ในภาษาอังกฤษฝรั่งเศสมันสามารถเอาไปใช้ในสตรัคเจอร์ในโครงสร้างของภาษาบาลีภาษาลาตินได้แว่าค้นพบเมื่อ20กว่าปีโดยที่มันหมดทางจริงๆไม่รู้จะทายัางไงจะให้สอบได้แล้วบุญจริงๆก็คือ ไปจิบเอาผลงานของหลวงพ่อสมเด็จพระธิรยานุนิ์ซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านเจ้าุณประเทศประสิทธิทมดหนึ่งเรื่องขท่นั้นที่มามีอิคธิลต่อสมายและทางสมาดสอบประโยคก์กาวได้ท่านเจ้าขุณเทพสิมมนนั้นอยู่ใกล้ชิดโชคดีกว่าแล้วพระทั้งหลายมากได้ถอดแบบได้อะไรต่างๆมามาทางานตรงนี้ พระมาจึงมีความเชื่อเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทํามาจนถึงจุดนี้เป็นสิ่งที่บอกเราได้ว่าเราพอใจเรามีความสุขกับสิ่งนี้ท่านจะนําเราต่อไปสร้างพัฒนาก็แน่นอนว่าเป็นในลักษณะที่เคยเป็นมาก็คือให้ประโยชน์ให้ความสุขเพราะธรรมะ ที่มีอยู่ในตัวท่านและธรรมะอันนั้นอาตมาได้นำออกมาพูดห้าประการเพื่อท่านทั้งหลายได้จำได้ข้อที่หนึ่งศรัทธาข้อที่สองความเชื่อข้อที่สองวิริยะพลังข้อที่สามสติความรู้ตัวออกมาจากกระแสข้อที่สี่สมาธิคิดย้ำทำเรื่องเดียว ข้อที่ห้าปัญญาความรอบรู้เนื่องจากมาพูดที่นี่ท่านเจ้าคุณท่านชอบแต่งเป็นกรอนอมารมก็จะแต่งดูบ้าง <c oughs> เดี๋ยวจะพูดผิดงานศรัทธาศรัทธาเชื่อเรื่องดีเชื่อว่าดีและมีสุขสิ่งใดที่เป็นพลัง ให้เราทําสําเร็จเราต้องเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดียงเราจะทาพระตะนาตรายแต่ดียังไม่พอต้องมีสุขด้วยเชื่อว่านั่งกรรมาฐานดีอย่างเดียวไม่พอนั่งแล้วสุขจำไว้โยมมาวัดจะเชื่อว่ามาวัดมันดีนะเธอเด็กไปเลยไปเลยแต่ฉันไปทีหลังแล้วทำไมไปมันมันเส็งเส็งเส็งไปวัดและต้องมีความสุข จะด้วยอุบายอะไรก็ตามจะมีน่าตัดสินก็ตามอะไรก็ตามให้เด็กมีความสุขศรัทธาจะต้องเกาะอยู่กับความพอใจความสุขท่านจะทําอะไรก็ตามต้องหาความสุขอย่างตรงนั้นอัตมาสอบบาลีนี่เบือ่อเหมือนเพื่อนเพื่อนทั้งหลายตอนเรียนมาสักประมาณครึ่งหนึ่งแต่มีวันหนึ่งทําไมาไปเรียนวรรณคดีไทยเกิดค้นพบว่าววรรณคดีมันมีกรอนมันมีฉัน มีความไพเราะภาษามันมีความไพเราะในวนรรณคดีไทยแล้วทําไมภาษาบาลีถ้าภาษาไทยมีความไพเราะภาษาบาลีก็เป็นภาษาหนึ่งน่าจะมีความไพเราะในภาษาแม้จะเป็นภาษาคนโบราณตมาก็หันไปศึกษาเรื่องฉันเลยรู้ว่าตอนแปดของเราเนี่ยมันก็คือฉันของบาลีนั่นเอง มีแปดคำเขาเรียกว่าปัธยาวัชรไงสุดอัตตาหิอัตปโนนาโถโกหินาโถปะโรสิยาไพเราะอ่าแล้วซึ่งเนี่ยที่เรามาสวดกันเนี่ยโยจักคุมามโมหมะลาประกัดโถสามังวพุทธโธสุขโตวิมุตโตมันซึ่งจริงๆแต่อย่าหลับก่อนเนื เห็นไหมภาษาบาลีเป็นภาษาที่สวดมนต์ไพเราะสลละสลวยเสียงขึ้นขึ้ น, นลงลงมีครุระหุป <st ut> ลื้มใจมอยากจะเทศต่อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นพระไตรปิฎกนะโ้มันซึ้งอ่านพระไตรปิฎกนี่บางทีไม่อยากนอนภาษาบาลีนะถามว่าทำได้ยังไงในทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความสละสรวยมีความงดงาม แม้แต่ในธรรมะแม้แต่ในศึกษาแม้ในทวิยาศาสต ร, ร์แม้ในการแพทย์ในอะไรก็ตามข้อสาคัญคือตั้งจิตให้ถูกท่องมาเพื่ออะไรตรงนี้คือจันลงใจทําไมต้องเทศทําไมต้องทำมันมีความสุขมันมีความงดงามอยู่ขนาดนั้นศรัทธาเชื่อว่าดีและมีสุขอย่าลืมเรื่องสุขวิริยะ เริ่มลุกเริ่มลุกบุกกระนำถ้าเชื่อว่าดีแล้วทำเดี๋ยวนี้ทันทีอย่าผัดวันประกันพรุง่งถ้าท่านจะควบคุมคอเลสเตอรอลอย่าพูดเรื่องน้ำหนักมันกระเทือนใจไฮ<ม>คอเลสเตอรอล<ม>บางคนนี่เขาบอกว่าอดอาหารลดอาหารมาแล้วนี่นะลดคุมน้ำหนักได้อยู่ระยะหนึ่ง แต่อีกสองปีต่อมามันจะเพิ่มมากกว่าเดิมคำตอบก็คือว่าการอดนั้นมาเป็นความทุกข์วันนี้ก็อยากทานอย่าไม่ให้เห็นเชียฝันเชียวการอดเป็นความทุกข์ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าท่านเห็นว่าการไม่ทานนี่แหละมาเป็นความเบาเป็นความสบายเป็นความสุข ที่จริงมันเป็นซิมบอลเป็นสัญลักษณ์อาหารเนี่ยนะทํทำไมคนไทยเวลาไปเมืองไทยเนะี่ยท่านกลับมานี่แบกน้ำหนักกลับมาเลี้ยงกันทั้งวันถามโยมเมื่อไรจะมาวัดเดี๋ยวเดียไปกินเลี้ยงไปงานเพื่อนเลี้ยงต้อนรับการเป็นโซเชียลไล์ด้วยอาหารหมายความว่าอาหารเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของรีแลกซ์ผ่อนคลายความสุขเพราะฉะนั้นเวล า, วลากลับมาบ้านอยากจะผ่อนคลายทำอะไร เปิดตู้เยินมันโยงหากันใช่ไหมเพราะเวลาที่เราสบายเรากินกินกินทานทๆวทานิเตอร์ีก็บอกวิผู้หญิงเวลาอยู่คนเดียวชอบทำอะไรไมากที่สุดเข้าครัวแล้วกินให้เต็มสุดฟิเพราะมันโยงกับความผ่อนคลายความสุขถามว่าท่านสามารถจะมีความสุขโดยไม่ต้องโยงกับอาหารได้หรือไม่ ศรัทธาเชื่อว่าดีและมีสุขวิริยะเริ่มรุกบุกกระนำข้อที่สามอะไรสติคอยตรวจตราพาข้าอย่าเพียงพรําดูปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้มันอยู่ในภายใต้การควบคุมสมาธิคือซ้ำ ทำเรื่องเดียวมุ่งมั่นตรงไปตรงนั้นศรัทธาเชื่อว่าดีและมีสุขวิริยะลงมือรุกบุกระนำสติคอยตรวจตราอย่าเพี้ยนพรัมสมาธิช่วยซ้ทำทมเรื่องเดียวปัญญาความรู้รอบครอบทุกด้านความฉลาดความชำนาญชาญเฉลียวคุณธรรมทั้งห้าเปรียบว่าเกลียว แห่งเชือกเชือกเหนียวใช้หน่วงพ้นบ่วงมารชนะมารคือประศักค์ทั้งปวงใช่ชนะด้วยพลังเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนชีวิตต้องเริ่มด้วยความเชื่อที่ถูกต้องแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นกระแสจะเริ่มเมื่อไหร่ที่นี่เดี๋ยวนี้และทันทีท่านอยากจะทำอะไรตั้งใจเอาไว้ อยากจะเลิอกอะไรอย่างที่ว่าเดี๋ยวถวายพระไม่ออาอีกแล้วผีหกตัวลืมเลยอย่างที่อจะมาพูดไว้เผาเลยเผ <c oughs> าผีหกตัวถวายหลวงพอ่อและถ้ายังไม่ออกเอาน้ำมน้ำมน้ำมนหลวงพ่อปัญญานันทะที่ทำไม่ผ่านผีหนึ่งเผาให้หมดเลยผีหนึ่งชอบดื่มสุราเป็นอา จ, จิน ไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีสองชอบท่องเที่ยวยามวิกาลไม่รักลูกรักบ้านของตนผีสามชอบเที่ยวดูการละเล่นไม่ละเว้นบาครับละขอนโขนผีสี่ชอบคบคนชั่วมั่วกับโจรหนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีที่ห้าชอบเล่นไพ่เล่นมา้า กีลาบัตรสารพัดถั่วโป้ไฮโลสิ้นผีที่หกชอบเกียรติคร้านการหากินมีทั้งสิ้นหกผีอปรีเอยโดนเข้าคนละกี่ตัวเผาเลยนะถวายวัดไปเลยที่นี่เดี๋ยวนี้ทันทีเรารับเป็นนนว่าเราได้มาประชุมพร้อมกันถวายผู้ทิตาสการะแด่พระเดชพระคุณในวันนี้ก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลาย ตั้งกัลยะาณจิตอธิษฐานตั้งคุณแห่งพระศีรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และอนุภาพของหลวงพ่อพระพุทธชินะธรรมโมภาสจงมารวมกันพร้อมกับกุศลความดีทั้งหลายที่เราได้บำเพ็ญมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปปจจใจอำนวยอวยพรให้พระเดชพระคุณพระเทพประสิทธิมนต์ จงมีความเจริญงอกงามไพปูรย์ในพุทธศาสนามีบารมีธรรมสูงส่งยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อเป็นร่มโพธิ์ร่มใยของญาติโยมวัฒรารามของพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลละนานเถืด